เจลินพรท่านสาธาชนพุทธบริษัทผู้ฝ่ายธรรมทุกๆ ท, ท่านวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งเพื่อมาสนทนาธรรมถามตอบคำถามท่านที่สนใจอยากจะเข้ามาร่วมก็เชิญเข้ามาได้วันนี้มีใครมาก่อนเดีย๋ยวดูล้อ ง, องนกคุณหายไปไหนไม่มาเนี่ย อ่าวันไม่มาวันนี้น้องนคุณออกมาแล้ว N K อ่าน้องนคุณก่อนเลยตรงเดียวอันจะมาสการ์อาจารย์สวัสดีคะนคุณแล้วลูกมาแล้วค่คกะคการสวัสดีครับการสวัสดี ในมาตร <มา S 2> ก, การค่ะวันนี้ดื้มไหมสนไหมโอ้หนักเลยค่ะพระอาจารย์มีวีรกรรมอะไรบ้างหรเหล่าวันนี้ดื้อไหมคะวันนี้จริงเหรอโกหพระอาจารย์ไม่ได้นะตกนาโลกนะเดี๋ยวเขาจ่ขี้บกเล่นออยูแล้วครับ<อ> หนูดื้อไงเรบอกครัอาจารย์ว่าหนูจะทํำยังไงดีทําให้มันดีขึ้นนะ่ไหนบอกครัอาจารย์สิคะโอเห็คจะคนยดได้ไหมพรุ่งนี้เดินทางค่ะพระอาจารย์พรุ่นงนี้เดินทางไปไทยประเทศไทยเหรอจ๊ะย้ายกลับมาอยู่เลยเหรอฮัลโหลาย ไ, ไปแล้วโหลดน้องคลิปโหลด ยืมหนวดเข้าปดดไปที่จัดที่จามัทเลยฮะจามัทกับจัดที่กล่า <c> ว <oughs> น้ำมกา ร, รพระอาจารย์ครับอม า, ายอย่างไงบ้างครับวันนี้จะมาส่งกันมานแล้วก็รายงานการพิจารณาความตายครับอร า, ายงานกัารครับก็คือพิจารณาความตายทุกวันครับรู้สึกอย่างไงบ้างไม่กลัวเหรอไม่กลัวครับ เมื่อก่อนนี้ใครกลัวไหมก็มีเคยกลัวอยู่ครับเอแต่ดนนี้ไม่กลัวเพราะรู้ว่าว่าว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาครับออไม่ใช่เพราะว่าเราไม่ตายไม่ไม่ใช่เลยไอ่าไอ้อันี้ยังไม่เห็นอะยังไม่เห็นว่าเราไม่ตายนะจิตไม่ตายครับอืาอย่างจิดว่าเราเป็นนั่งกายอย่ที่ข้าวนี่ิตการใช้ยชน์ไม่ไม่ใช่ครับ ไม่คิดนะนะน่าใจนะน่าใจครับอเดี๋ยวเราดูเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาเดี๋ยวเราทำยังไงครับ๋ยวเราหาแม่มาบอกไม่ครับพิจารณาไงความตายพิจารณายังไงเราไม่ความตายเป็นธรรมดาครับร้องพนไม่ได้ครับทำไงก็ไม่ไม่พ้นความตายใช่ไหมใช่ครับ มีความที่เอาบวชด้ว ย, ยังนะครับอืมนายยังกลัวอยู่ใช่ไหมไม่เออไม่กลัวแล้วอ๋ไม่กลัวแล้วครับแล้ไม่กลัวแล้วนะโอเคโอเคมีอะไรอีกไหมแล้วก็จะเล่าครับว่าไม่กี่วันก่อนนี้มีคนในหบ่บ้านที่เสียชีวิตกระโดดปฏิเหตุกระทั่งหันครับ แล้วรู้สึกยังไงบนะ้ารู้สึกว่าความตายที่มันเด็กคนไม่ได้จริงๆครับมันอันนี้จังนะครับแล้วก็ไม่รู้เวลาไหนโดยใช่ไหมใช่ครับอืคนเราตายในทุกอายุใช่ไหมครับงั้นต้องอย่าประมาทไม่ทำความดีนะการกระทําบาปครับเพระาะว่า นี่คือสิ่งที่เราจะเอาติดตัวไปเราคือความดีกับบาปที่เราทำนะ<บ>กับสมาธิที่เรานั่งของวันนี้เราเอาไปได้ความ<บ>สุขที่ได้จากสมาธิเนี่ยความสุขที่ได้จากการทำบุญทำความดีความสุกขที่เกิดจากการทำบาปก็อย่าทำจะได้ไม่มีความทุกข์ติดตัวไป<บ> น, นั่งสมาธิทุกคืนได้บา่า นางครับแล้วทําความดีอะไรบ้างาบ้างเช่วยฟังชื่อฟังคุณแม่นี่ก็เป็นการทําความดีแล้วครับอช่วยงานที่บ้านก็เป็นการทําความดีะช่วยงาน บ, บ้างบ้าช่วยแม่ล้างจานล้างชามบ้างว่างก็มีช่วยไปล็อกบ้านแล้วก็แล้วก็ช่วยช่วยคุณยายจกน้ํำด้วยครับ ต้องช่วยทำ ง, งานบ้านนะเานะราโตวล้ะช่วยล้างชามช่วยกวาดบ้านถูบ้านช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อแม่นี่แหละเป็นบุญนะเป็นการเป็นความดีความดีนี้ก็คือบุญเราทำแล้วเราจะมีความรู้สึกสุขใจอิ่ใจคแล้วก็ทําให้พ่อแม่เป็นความสุขใจไปกับเราด้วยที่เห็นเราเป็นคนดี น่าบาปก็อย่าทํายังโกหกเยอะเปล่าไม่แล้วค่ะไม่แล้วนะแน่ใจนะอ่า <c oughs> อย่าโกหกนะอย่าเา <c oughs> ขายาข้อมูลของคนอื่นไปนะค่ะถ <c oughs> ้าอยากจะได้เลยขอก็ก่อนถามมืก่อนว่าเอาไปได้ไหม <c oughs> ถ้าว่าได้ก็ค่อยเอาไปถ้าก็บอกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปหาเองครับ <c oughs> อโอเคจะส่งการบ้านใช่ไหม <S <S ใช่ครับอ่ามีอะไรบ้างเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วมพ้นความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วมพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วมพ้นความตายไปไม่ได้เราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องรับราดะของรักของจะเรียนใจทั้งหลายทั้ทงปวง เรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทำการันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นนัสือไปเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิดแล้วร่างกายเรามอะไรบ้างมีผม ขนเล็บฟันหนังเนื้อเอน็นกระดูกเยอในกระดูก ม, ม้ามหัวใจตับทาผื่นไตปอดไส้ใหญ่ไส้เล็ก อ, อาหารใหม่อาหารเก่าเยอในสมองสีส่สัตน้ำดีน้ำเส็ดน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเหนือน้ำมันข้น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 ปอดใตพังผืดตับหัวใจมมน้าเช่ในกระดูกกระดูกเอนเนื้อหนังฟันและขนผมแล้วเราอยู่ตรงไหนไม่อยู่ครับไม่มีเลยใช่ไหมไม่มีครับในร่ากายเราไม่มีเลยแล้วเรามาจากที่ไหนโลกสิบครับอ่ามาจากความคิดใช่ัหยใช่ครับ เอมาจากผู้รู้มาจากธาตุรู้เอธาตุรู้ไม่ได้อยู่ในร่างกายร่างกายมีธาตุสี่ธาตุดินธาตุน้ํำธาตุลมธาตุไฟแต่ธาตุรู้นี้เพียงแต่มาติดต่อเชื่อมต่อกับร่างกายธาตุรู้อยู่ในโลกทิพย์เวลแอะไรเกิดขึ้นกับร่างกายนี้ไม่ได้ไปไม่ได้ไปเกิดขึ้นกับธาตุรู้เกิดใจนั่นใจไม่ต้องไปตื่นเต้นตกใจ ใจต้องมีสติมีปัญญาแล้วใจจะไม่ทุกข์นะครับพระอาจนะอาจครับโอเคมีอะไรหมไม่มีแล้วอ่าถาไม่มีก็ไปที่ฮอลแลนด์ไปหาคุณปราบครับขอบคุณพระอาจารย์ครับกตะวันอันนี้ครับพรอรครับมีอะไรครับมีอะไรไหมอเอ่นะเอ เแค่แรายการครับรายงานนะครัใช่ครับเอเมื่อเมื่อวันพ่อก็มี zoom m e e t i n กับประช้ามอแล้วผมก็สอมพ่ออาการสามสิบสองครับเนี่้ว<ม>พ่อก็ไหวยังไงดีไหมดีครับดีนะอะแต่วันเห็นอาการสามสิบสองไหมครับ เห็นในร่างกายเราไหมเห็นในตัวเราไหมใช่ครับอืมกด็ดีมีอะไรอยากจะถามไหมวันนี้ไม่มีครับไม่มีนะอืมทำไมต้องดูอาการสามสิบสองรู้ไหมเอ่เอาไปพิชรินาลาเราไม่เป็นร่างกายจ้ะอ่าร่างกายไม่สวยงามใช่ไหมใช่ครับ ไม่ควรที่จะไม่ยินดีกับร่างกายนะถ้าเห็นอาการ32ก็จะไม่ยินดีถ้าไม่เห็นก็จะยินดีเป็นไงคุณแม่ทำใจได้ป่าก็เลเวลก็ตอนนี้ลดมาก็โอเคค่ะรอาจารย์แล้วก็มดเล็ มันเหมือนกับว่ามันเป็นบททดสอบว่าความเมตตาของเรานี้แล้วก็เรื่องเรื่องความเมตตาแล้วก็เรื่องเรื่องอะไรหลายอย่างนะคะว่าเรานี่มันอย่างที่คิดว่าเคยมีเมตตาเนี่ยมันเมตตาจริงหรือเปล่าจึมีบททดสอบนะคะพระอาจารย์ว่าโอเคมันมันเมตตากับกับคนที่ทำให้เรามีความทุกข์ไหมอะไรแบบนี้สะามอาจารย์น่า ม, มีปัญญาู้ทานหรือเปล่าด้วยค่ะพระอาจารย์แต่ว่ามันมี ตอนแรกที่อได้รับได้รับทราบเรื่องราวเนี่ยมันก็กระทบอยู่นะคะพระอาจารย์เพราะว่าไม่เหมือนกับว่าเราคิดว่าเอคนรอบตัวเราเนี่ยไม่มีโรคทางใจเลยเราเชื่ออย่างนั้นแต่พอทราบด้วยตัวเองว่าอา้าวทาไมมีแต่ว่าปกปิดหรือตัวเขาอาจจะไม่ทราบเองก็ได้ว่าเขามีโรคทางใจอย่างเนี้ยคะ่ะพระาอาจารย์ก็อาจจะมันเสียสู่นิดนึงอะคะ่ะพระาอาจารย์แต่ก็เปิดอกคุยกันแล้วก็ อ, อวิเคราะห์วินิจฉัยเรื่องสัมาทิฏินะคะพระอาจารย์ว่ามีโรคอะไรต้องต้องคุยกันนะคะพระอาจารย์แล้วก็ตอนนี้<ม>คือทราบแล้วาาต่างคนต่างก็เอเหมือนกับว่าอก็คือเปิดอกเลยค่ะพระอาจารย์เปิดอกคุยเจ้าของอที่สําคัญมันอยู่ที่ตัวเรานะตัวเราแล้วค่ะอาจารย์ตัวเราทุกข์หรือไม่ทุกข์เพรเราไม่สามารถที่จะไปห้ามเขาได้สั่งเขาได้ ตัวเขาเองก็ยังภาพตัวเขาเองไม่ได้เออเราถ่ายเขาได้งไงถ้าเราทุกข์ก็แสดงว่าเราไม่รอบคอบยังมองไม่ทั่วถึงยังไม่เห็นอนิจจังอนัตตาในทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งที่เราคิดว่าใช่ก็คือ เ, อ, อเราหลอกตัวเองหรือว่าเราไม่มีตาในที่จะเห็นแบบนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์อืมค่ะ ก็ย่างไยก็ไม่ถึงกับเสียศูนพอตั้งพอพอทุงทุกวันทุกวันก็กยังคงมาตั้งหลักได้นะเหมือนเหมือนลูกคะเจ้าค่ะพระอาจารย์ว่าบางทีผิดพลาดกันแต่ว่าก็ต้องมาคุยว่าผิดจริงหรือเปล่าต้องยอมรับคือข้อสำคัญก็คือเหมือนเหมือนพระนะคะพระอาจารย์ที่ว่าทําผิดใช่ไหมคะเราก็ต้องยอมรับ อ, อย่างพระนี่ไม่ใช่ว่าทุกๆุกท่านทุกองค์จะจะยอมรับใช่ไหมคะพระาอาจารย์ต้องมาอยู่ไปว่าอย่างเนี้ยคะ่ะแต่ว่า เออเขายอมรับอยู่แต่ก็เอโยมก็ใช้ยายาแรงเหมือนกันนะคะพระอาจารย์ก็อนจะแบบปล่อยมาหมดอย่างเจงบ้านตอนนี้สายโยมก็คือจะเป็นบทโหดนิดนึงก็อาจจะมีส่วนทําให้แบบว่าข่าพระอาจารย์เดี๋ยวคุยว่าจะกลายเป็นว่าเป็นนินทาแบบนี้อีกก็ต้องโยมก็ต้องเลือกใช้คําพูดจะฝาก <c oughs> เออต้องแก้ปัญหาที่ใจเราก่อนคือใจเราต้องไม่ทุกข์ก่อนส่วนเขาจะยังไงก็แล้วแต่เขาคุยกันได้ก็คุยกันไปคุยกันไม่ไดก้ก็มันก็เป็นเรื่องของเขาที่เราอาจจะห้ามเขาไม่ได้ทุกเพราะว่าคิดว่ามันเป็นความจริงแต่เหมือนมันไม่ใช่ความจริงแบบนี้สช่ไาจรแล้วก็หลายปีมันก็เลยเหมือนช็อกแบบ น, นี้ใชห่ชหคะพระาจารย์ว่า ก็คิดว่าโอเคอยู่เพราะว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยคิดว่าน่าจะเสียสู่เหมือนกันเจ้าค่ะพระซันอืมค่ะค่ะแล้วก็บทจะส่งตัวเองยอมรับแล้วก็เมตตาให้อภยัยเจ้าค่ะอืะซัครั้งนี้ให้ภัยก่อนครั้งนี้ให้ภัยกลนเจ้าค่ะพระซันไม่ต้องให้อภัยไปตลอดใช่ไม่ม่ไม่ไม่ไม่เจ้าค่ะไม่ให้อภัยหมายควาว่าให้ภยัยแต่ว่าเพราะว่าเอหลักของโยมเนี่ยก็คือว่า ธรรมะของพระพุทธเจ้านี่มันโยมนี่คือแบบก้มกราบเลยค่ะพระอาจารย์นี่ว่าจาระเสมอการศรัทธาเสมอกัรจาคะเสมอการสินเสมอกันตรงเนี้ค่ะพอมาข้อสามข้อสี่โยมคิดว่าเสมอการมาตลอดไม่ได้คิดว่าตัวเองดีกว่าเานะคะนะเราจ้าค่ะพระอาจารย์แต่ว่าอันนี้โยมให้ความสําคัญเพราะถ้าข้อสามข้อข้อข้อข้ออะไรนะคะตัวศิลอย่างเงี้ยไม่เสมอการโยมต้อโยมไม่เอาเจ้าค่ะพระอาจารย์โยมไม่เอาแต่อาจจะมีจาระเข้ามาเสริม อันนี้ก็เลยโ<ม>ยมก็ามาพิจารณาครั้งนี้ว่าโอเคก็มีจาขาเข้ามาเสริมตรงนี้ก็เลยให้ภัยก่อนถ้าครั้งหน้ามไม่ได้เจ้าค่พระอาจารย์ครั<ม>บัวน้ําลายแล้วยมก็ไม่เอากลับปามาคืนเจ้ค่ะพระอาจารย์<ม>ถือว่าไม่ได้โยมโ ย, ยมไม่รับ <laughs> <laughs> ครับก็มัน <laughs> การให้อภัยมันอย่างหนึ่งแล้วการการะทํามันอีกอย่างหนึ่งเขไหมคือให้อภัยได้แต่อาจจะ เป็นการาการกินกันอยู่กันอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งก็ทางใครทางมันไปถ้ามันถึงเวลา แ, ลวแต่ก็ไม่โกรธแค้นโกดเคืองกันจากกันโดยดีไม่ไ ม, ไม่มีอาฆาตพยาบาทก็มันออ ม, มีแว็บหนึ่งส้ะค่ะอาจารย์ผมคิดว่า สิ่งข้อหนึ่งของโยมันอาจจะไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่แต่คิดว่าคือยังหยาบหยาบไหมหยาบ ก, กับกลางแต่ถ้าละเอียดเลยคือตอนที่เขามาขอโทษแบบนี้เจ้าข้าพระอาจารย์มันมีแว บ, บขึ้นมาว่าเจ๊กเจ๊กระทืบน้อยสิ่งเดีวยวเจ้าข้าแต่ถามว่าความคิดมันมาไวมากแต่ถ้าเป็นสิ่งข้อ3ามโยมะโยมอ่ะละเอียดมากกว่าสิ่งข้อหนึ่งเจ้าข้าพระอาจารย์คือคือแม้แต่ว่าไปชอบคนอื่นทางกายภาพเนี่ยมันมีกิริโอตตะปะเข้ามากั้นเลยค่ะพระอาจารย์ก็เอาอสุภะเข้ามาแต่สิ่งข้อหนึ่งอะ่ะ มันมันความคิดมันไปแล้วเอยากจะกระทืบ<ม>หน่อยแต่ว่าอุ๊ยออกไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยเจ้าข่าวพระจ า, านนก็ตรงนี้คือต้องตอบติเจ้าค่าวพระาเพราะว่าไอ้ตัวบัดวาศีเราหยาบหรือละเอียดเน่ยมันจะมาที่นนนนนนความคิดอารมณ์แล้วก็การคําพูดกระทำใช่ไหมครับะจ่าค่ะโอเคยงเข้าใจผู้ดไหมคะพระจ่าอันนี uh ้ยงเข้าใจเข้าใจถูกต้องนะคะเรื่องความแลวก็ความละเอียดของศีลไหมคะพระจ่าก็ ก็แล้วแต่นะหมายถึงที่เราเราไม่มองไปมองที่เรื่องของความทุกข์ใจเสียเป็นเป็น่ะอืมไม่เราอย่าไปทุกข์เก่าอะไรกับใครพฤติกรรมของใครก็เป็นเรื่องของเขาไปเขาทําดีก็เป็นตัวเขาเขาก็ได้ดีของเขาไปเขาทาไม่ดีก็มันเขาก็ได้รับผลรูปความไม่ดียวงเขาไปเราไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปทําอะไรเขาจะากันเสมอ เหมือนเหมือนการเลือกเลือกสินค้าแบบนี้เจ้าขาพระจารย์มันคืเลือกเลือกแล้วเลือกีกบมดีแม่ขาบอกว่ามันดีดีเจ้าค่ะว่ายิบเขามาปุ๊กเอาสรุปมมีชนได้ตรงสเปกอย่างนี้เจ้าขาพระจารย์คืนได้ก็ให้คืนได้ไปแล้วก็อาจจะคืนได้ไหมคืนได้แต่ว่าตอนนี้ก็ใช้ไปอยู่อไปก็ถึงก็รยังยังเห็นพระอยู่ยังมีความโลภเจ้าค่ะยังซ่อมได้ยังซ่อมได้อยู่ซ่อมไม่อนดเลยังซ่อมได้ คิดว่าซ่อมได้เจ้าค่ะไม่รู้เหมือนกันก็ก็ขาวพราจารย์แล้วก็ส่วนหนึ่งที่บ้านน่าจะเป็นเอ่อมันไม่มีเหตุเดินเอิญก็อาจจะเป็นเพราะว่ากรรมของโยมด้วยส่วนหนึ่งก็อาจจะจัง่อนที่จะมารักษาศีลห้าจริงๆมันก็มีมีเสษเพ บ, บ้างออกนอกลู่ทางบ้างเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็จะเป็นกรรมด้วยค่ะแต่ไม่แต่ไม่รุนแรงถึงขั้นแบบเพราะผิดศีลเมื่ขาดเนี่ยนะคะคือมันแค่ด่างพรอเฉยเฉยเฉยะอาจารย์อืมแล้วค่ะ แล้วเรียกให้พายเพราะเราก็เคยทำติดพลาดมาบ้างสำหรับอจแต่ครั้งเดียวครั้งนี้งยมโอเคมีอะไรไห่ก็เขาฝากคุณมาก็ฝากกรอบกับขอบคุณพระอาจารย์เรื่องความไม่ตายที่พระอาจารย์ในเมื่อวานที่เขาคุยกับนะอืจารยก็กล้าหนี่ก็จะกล้ามาคูดแลอ่ากนะ้านนี่ ก็เนี่ยอย่างอย่างเจ้ามาโกเนี่ยเอ้ยมิใช่ขาเจ้าตะวันนี่ค่ะพระจารย์บางทีพยายามสอนเขาตั้งแต่เด็กว่าเรื่องคือรู้สึกได้รู้สึกได้ชอบอยากทําอะไรได้ดีสิแต่เพียงแต่ว่าเราต้องไม่ทําอย่าไปทําตามกิเลสเพราะว่าเรายังไม่ถึงขั้นเป็นเป็นพระอริยเจ้าพระอนาคามีที่ไม่มีความรู้สึกเลยเลยแบบนี้เจ้าขาขาพระจารย์ก็คือเอาตัวหีบตะปะเนี่ยมากั้นแม่พูดได้ไหมลูกเล่าที่อยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตที่เล่าก็คือว่าเขาก็มา บอกับกับอ่ากับโยมว่าตอนไปร้านซูเปอร์มาร์ทใช่ไหมคะพระอาจารย์เขาไปซื้อขนมหมดแหละแต่ว่าอยากกินโครซอนเขาก็เลยคิดว่าเออถ้าหยิบขวดซองออกจากร้านไปโดยที่ไม่จ่ายตังเลยมันจะเป็นยังไงแบบนี้คะ่ะแต่คือเขาไม่ทํานะคะเขาก็กลับมาเล่าให้ฟังอออืันนี้ก็คือน่ายกย่องเจ้าค่ะพระอาจารย์ไม่ปกติความคิดที่ไม่ดีแล้วก็มาเปิดเผยให้ฟังเอจะได้แก้ไขปัญหาได้ใช่ใช่ถ<ต>้าไม่แน่ใจ ว่าคิดแบบนี้ถูกก็ไม่ถู ก, ถกใช่ค่ะแล้วก็กล้าหารที่แต่บางคนเขาก็ไม่เล่านะคะเขาก็รู้อยู่ว่าไม่ไม่ดีเพียงแต่ว่าอาจจะไม่รู้คนไม่ดีหรือว่ารู้ไม่ดีแต่ว่ากลัวคนอื่นเขาจะเขาจะมาตัดสินกลัวมาว่าเขาแบบนี้มันก็เป็นความกลัวที่ทําให้อาจจะปกปิดความผิดไหมคะสารภาพนะอาจากมือส่วนด้วยเดี๋ยวขาดสายค่ะโอเค <Okay. S 1> แล้วก็เรื่องส่วนที่ไม่ดีก็คือว่าของโยมไม่โยมก็เล่าใฟังตั้งแต่เด็กทาอะไรมามีสินอะไรมาแบบนี้คะ่ะพระอาจารย์คือไม่ใช่ว่ามองแต่คนตาคนอื่นคนตาอของตัวเองโยมก็มองเชียพระอาจารย์แล้วก็เล่าให้เขาฟังอยู่เลยว่าอย่าทําแบบแม่นะอย่าทําแบบพ่อนะแล้วก็มีเจ้าค่ะโอเคมีอะไรไหมก็ไม่มีเมอีอะไรอยูอออย่ด้ว ย, ยอืมก็เราทําใจเราให้สบายนะเออ คพระอาจารย์คือตอนนั้นช่วงนั้นก็ทําสมาธิอะไรมันไม่สงบเท่าไหร่เพียงแต่ว่าก็รู้ตัวมีสติอยู่แล้วก็แม่คุณหันหพันแดนสิคพระอ า, า<ใ> จ, จารย์ใจเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดใจของเราเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่มีใครดูแลรักษาใจเราได้นอกตันอกจากตัวตัวเองใช่ค่ะพระอาจารย์เราต้องดูเอาใจกําลังที่เป็นหลักก่อนใจเราต้องไม่ทุกข์ก่อย่างห้ามไม่ให้ทุกข์เลยไม่ได้สิาะพระอาจารย์ บางเรื่องที่มันมันมันเป็นวิ n e น s ของเราแบบนี้ค่ะอาจารย์ก็มีบ้าง<ม>แต่ว่าพยายามปรับปรุมตัวให้ดีขึ้นรักษาใจก็เอาแบบไม่ทุกเลยเช้เลยอันนั้นคือเป็นใช่ค่ะเป็นเป้าหมายมในขั้นต่อไปสาสตาจารย์โอเคพยาย<ข>ามฝึกสตินั่งสมออาธิให้มากขึ้นให้มีอุเบกขาให้มากขึ้นจาาจารย์ก็ตอนนี้สิ่งข้อหนึ่งกับสิ่งข้อสาม ก็พัฒนาไปเรื่อยๆสิ่งข้อสามคิดว่ามันมันจะไปแบบกราฟมันจะขึ้นขึ้นขึ้ น, น, นเร็วแต่ว่าสิ่งข้อหนึ่งมันจะ ค, ค่อยๆแบบไปอย่างนี้น <Ừ. S 1> ก็ไม่เป็นไรอันนี้คือถือว่าโยมก็ดู้ตัวของโยมเองจา <Okay. S 1> ้าโอเคค่ะให้กำลังใจรู้ตัวค่ะพระอาจารย์ให้กำลังใจตัวเองเจ้าค่ะพระอาจารย์ธรรมะค่ะคือต่ อ, อสู้ไม่ถอยสู้ไม่ถอยสู้พีสู้กเลนนะไม่ใช่ไปสู้คนอื่น ดูกิเลสตัวเองใช่ค่ะพระอาจารย์พระบุตรยาบอกชนะคนอื่นเป็นหมื่นเป็นพันก็ส cool ู้ชนะเราคนเดียวไม่ได้ชนะกิเลสของเราไม่ได้ชนะคนอื่นเดี๋ยวก็ไปมีปัญหากันเองมีอยการอาฆาตพยาบาทกรธเกลียดกันเองชนะกิเลสแล้วทุกอย่างสงบเย็นสบายขออก็ตอนนี้ตอนอาบพระอาจารย์ขออนุญาตเพิ่มนิดนึงนะคะก็คือว่า อโยมเคยมีปัญหาคือคนหนึ่งเป็นเป็นเป็นครอบครัวอยู่ที่เมืองไทยเป็นยากโกูดก็มาหลายปีเลยโยมก็คือรังเกียจพฤติกรรมเขาแบบนี้ใช่ไหมคะพระอาจารย์นี้ว่ามันก็มีโยมก็มีส่วนเกี่ยในการที่โยมใช้คําพูดอะไรที่ทําให้เขาไม่สบายใจก็กลับไปเมืองไทยทันทีแล้วก็ไปกราบขอโทษเขาใช่อืมแล้วสบายใจขึ้นเยอะพูดดีๆครับนักกิเลสตัวเองใช่ะพระอาจารย์โยมก็าไม่ได้ทําอะไรผิดนี่นาแต่ว่าเราทําเพื่อ ตอนแรกเขาก็มีอัตราอยู่นะครับพระอาจารย์ไม่อยากเขาไม่อยากคุอยยงก็ไม่ได้เราเราเราเร า, เราคิดว่าตอนแรกกิเลสมันก็มามาเอา่อมากระซิบกระซิบบอกเหมือนว่าเราจะเราจะเอ่อจะไปขอโทษเขาแต่ เ, เขาไม่ยอมรับก็ไม่เป็นไรเราตั้งใจจะขอโทษแล้วไม่จะเป็นก็ไปไหว้เขาก็ได้แค่ขอโทษทางใจแบบนี้ก็พอเดีวอาจารย์ยงก็ไม่เชื่อมันก็เลยว่าจนเขาจนจนจ น, จนเขาว่าใจอ่อนก็ใช้เวลาอยู่พอสมควรแล้วก็กได้ได้ ขอกลับขอโทษเขาค่อาจารย์กลับตักเขาแบบนี้จะแบบอาจารย์กิเลสมันมร้ยนร า, ย า, นายมากเลยสะแบบอาจารย์มันชอบทำให้เราคิดว่าที่เราทำมันโอเคแล้วดีืะอย่างเ ร, ร น, นไม่โอเคเราก็รู้ว่าไม่โอเคมันยันนงค้าง <ๆ S 1> อยู่ในใจเราอยู่ใช่ค่ะรับแล้วการรู้ท้าทันกิเลกก็ถือว่าเอาตัวรอดได้ในระดับหนึ่งใ้หมคะอาจารย์รู้ท้อทันกิเลตัวเองแบบนี้ ถือว่าเอาตัวรอดได้ได้ยังเจ้าพระพาราจาร์ระดับหนึ่งใช่ไหมยังเข้ามาห้องนี้ได้ก็ยังถือว่าโอเคอไม่หายสาบสูญเลยโอเคก็ขอบคุณพราะชาที่เป็นกําลังใจให้ขอบอาจารย์ในยามที่มีความทุกข์แล้วก็ความสุขก็มีพาจารยเป็นที่พึ่งยิ่มาเป็นที่พึ่งครับที่ทำให้เราถึงชีวิตแล้วก็ ม, ม, มีทั้งหวานมีทั้งขมนะเราจะไปเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งไว้ได้นะ เราต้องรับทั้งสองอย่างหวานก็รับได้ขอมก็รับได้อืโอเคนะจะขาดพระัน <c oughs> ก็ยอมรับทุกคนแต่ว่าไม่ถึงกับลสมตรฐานตัวเองเข้าไปคุกคีแบบนี้ครับพระจันทร์ไม่ไปถึงเราอยู่วในเรื่องนี้มันก็ต้องสัมผัสรับรู้ไปอเราก็ไม่ไปหวันไหวกับสิ่งที่เราได้รับสัมผัสรับรู้แล้ว ก, ก็เฉยเฉยไป โอเคนะขอบกุณครับคุณภาษาหนึ่งไปที่น้องพีต่อน้องพีเป็นยังไงน้องพีมีกิจกรรมครับมีอะไรไหมวันนี้วันนี้หนูมีคําถามนะครับหนู ม, มีคําถามว่าถ้าเราจะทํำอะไรทำยังไงให้เราเออ่จําจําอะไรได้เหลวครมันต้องคิดบ่อยๆัน คิดซ้ําๆอย่เรื่อยๆเนี่ยมันก็จําได้ถ้าไม่คิดมันก็ไม่จำํำอย่างเช่นในการเรียนอย่างเงี้ยคะ่ะ<ม>ว่าครูบอกอะไรเราก็จะจําได้หมดก็มาจําอยู่เรื่อยๆ่าปิดดูเนี่ยอ้าเราลองถามตัวเองจําได้ไหมครูเขาพูดอะไรมาบ้างเรื่องนั้นเรื่องนี้ลองทดสอบตัวเองไปด้วย ต้องคิดบ่อยๆคิดถึงเรื่องที่เราอยากจะจำเช่นวันนี้วันอะไรวันนี้วันพุธเล้วถ้าจำไม่ได้ถ้าไม่คิดถึงอาจจะนึกเอ้วันนี้วันอะไรลืมไปแล้วแต่ถ้วเราคิดอยู่บ่ว่าวันนี้วันพุธวันนี้วันพุธนะมันก็จะจำได้ทุกอย่างต้องอาศัยการที่เราคอยคิดบ่อยๆตอนที่เราท่องสูตรคูณเนี่ยทำมาแล้วต้องท่องอยู่เรื่อยๆใช่ม สองคูณสองเป็นสี่สคณสามเป็นหเน่ต้องไปใทัทังมันจำได้ก็กลายของใครเราก็ต้องท่องกันมา ก, ก่อนไม่ช่นเอบีซีเราก็ต้องท่องกันมา ก, ก่อนมถึงจาได้เมื่อไงอย่า จ, จำอะไรต้องคอยท่องอยู่เรื่อยๆมันจะไม่ลืมบางทีหนูก็เบเปอร์ ก็หนโหนไม่รู้จะทำยังไงว่าหนโหนจะแก้ให้หนูไม่ไม่เปือจะต้องทํายังไงคะต้องพุทโธเลยนึกถึงพระพุทธเจ้าออกมาๆก็พุทโธพุทโธพุทโธไปอย่างนี้ก็หายเบื่อเบือหน่อพอรู้ว่าตัวเราเบื่อเช่นไรมันาไม่มีสติแล้วไม่มีสติก็ใช้พุทธานุสติดึงขึ้นมา ใช่เพราะพุโทโธพุทโธนั่นใช่ไหมคือของอยู่บนโต๊ะอย่างเช่นเออตอนนั้นนะครับเอ่อแอลโกอฮอล์อยู่บนโต๊ะแต่หนูมองรอบๆอบโต๊ะแล้ว น, นะครับแต่หนูไม่เห็นแอลกอฮอล์เพราะหนูใจน้อยไงหนูไม่ได้อยู่ก็ไม่ได้อยู่กับตาของหนูหนูใจไปอยู่ที่อื่นไม่เลยมองไม่เห็นตาเห็นแต่ใจไม่เห็นเก็ต้องดึงใจดึงใจให้กลับมาอยู่กับตา เวลามองอะไรต้องมีสติว่าเรากําลังมองอะไรไม่ใช่มองมนัดใจไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็เหมือนกับมองไม่เห็นเข้า <c oughs> ใจไหมครับพ<ะ>ยายามฝึกสติบ่อยๆพุทโธบ่อยๆพ อ, อรู้มเริ่มเกจ่มเบลอแล้วก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปเดี๋ยวก็ ห, ยห้ยเบลอช่วง ช่วงตอนที่หนูไม่สบายอะค่ะก็ได้อยู่คนเดียวค่ะหลวงพ่อก็ปฏิบัติจนแบบว่าคือฟังธรรมก็คือมีโอกาสได้อยู่คนเดียวแล้วก็ฟังธรรมได้ตลอดแล้วก็สวดมนต์นั่งสมาธิค่ะจนจ น, จนไม่ได้พักผ่อนคือตามันค้างอย่างเดียวพุโทโธตลอดทําสมาธิตลอดจนจองวันหายไข้เร็วมากเลยค่ะ ก็แบบดีจิตใจสงบแล้วมันก็จะทาให้ร่างกายมันมีกับพลังที่จะพื้นฟูได้เร็วขึ้น <c oughs> หนูก็สงสัยว่าเวลานั่งสมาธินานๆมันก็จะทำให้เหมือนแบบเรานอนไม่หลับมันเหมือนแบบมีพลังเหมือนแบบไม่ได้ทานข้าวแต่ก็อยู่ได้ไม่ไม่มไมหิวไม่อะไร ถ้าอยากจะหลับก็พุโทโธพุโทโธไปนอนแล้วก็พุโทโธพุโทโธไปพุโทโธตอนนอนไม่ได้นะคะหลวงพอ่อนอน <c oughs> ไม่หลับอ่าดูลมหายใจไปแทน <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวก็หลับอย่าให้มันคิดถึงอะไรค่ะก็จะแบบว่าเวลาทำสมาธิหรืออะไรในเวลาเราไม่ได้ทานข้าวเราก็รู้สึกอิ่มไม่หิวข้าวเพราะว่านั่งสมาธิใจมันอิ่มเลยค่ะ อะไไม่รู้สึกหิวก็ดีจะได้กินลดลดความอ้ ว, วอไนได้คนที่ฝึกสมาธินี่นจะไม่ค่อยกินมากใช่ค่ ะ, อะตอนนี้มือม้อเย็นมื้อเย็นนหนูก็งดมาเป็นเดือนกว่าแล้วค่ะหลวงพ่อใช่ ม, มันมั น, มนมวกกับไม่มีกินมันก็ไม่เดือดร้อนมันก็เลยใช่ใช่ใช่เพราะว่าคือช่วงช่วงก่อนที่จะมีน้องพีาหาะหนูก็จะปฏิบัติค่อนข้างเยอะ เราก็จะถือสินแปดนะคะบางทีแบบว่าสามเดือนช่วงเข้าบรรษานะคะ mm hmm. ก็จะทานทานเจแล้วก็อยู่ได้แค่ถึงตอนเที่ยงหลังจากนั้น mm hmm. ก็คือจะไม่ได้ทานอะไรเลยก็อยู่ได้มาตลอดนะคะจน mm hmm. พอแบบพอเริ่มอายุมากขึ้นอพออายุมากขึ้นเหมือนระบบย่อยมันก็ไม่ค่อยดีะคะ่ะหนูก็เลยหยุดทาน mm hmm. มื้อเย็นเลยะคะ่ะคือทานแบบคืออาจจะมีแบบถ้าเกิดในครอบครัวอาจจะทานแบบ สายนิดนึงถึงบ่ายสองแต่บางวันก็คือแบบไม่เกินเที่ยงหนูก็ไม่ทานแล้วถึงกลางคืนหนูก็ยังอยู่ได้เพราะว่าไม่ไม่งั้นมันมันนั่งสมาธิไม่ได้มันสวนมดมนต์ไม่ได้เพราะว่ามันเหมือนมันมีลมในร่างกายเยอะอะค่ะอื ม, มโอเคมีอะไรไหมไม่มีแล้วค่ะโอเคนะน้องพีพยายามพูดโธพูโทโธบ่อยๆนะครับอืม่าธุ ค่ะขออนุญาตเข้าไปดูต่อในทูปได้ใ <น S 1> ช่ไหมค่ะได้ตา ม, ม ส, าามส บ, บายไปที่คุณหมอพิเชษต่อคุณหมอกราบนมัสการพระอาจารย์ครับขอความเมตตาพระอาจารย์ได้อธิบายสิ่งวิเศษที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบครับก็การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปลวกนะวิมุติหลุดพ้นจากความทุกข์ก็คือความนิพพานน คจิตที่ปราศจากปิเลตันหาความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆพระองค์ได้ทรงตัดสินว่าเป็นเหตุที่พาให้สัตว์โลกดวงบรรยายของสัตว์โลกเข้มาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ยังไม่มีวันสิ้นสุดเแม้แต่พระองค์เองก็เวียนว่ายตายเกิดมาเป็นเวลาอันยาวนานจนในที่สุดหลังจากออกบวชแล้วปฏิบัติศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมค้นคว้าไป แต่ในที่สก็ได้พบสาเหตุพูดตัวที่สร้างพบสร้างชาติสร้างชาติก็คือตัณหาความอยากการมาตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาและสงคนพบเครื่องมือที่จะกำจัดการว่าตัณหาภาวะตัณหาก็คือมรรคแปดหรือศีลสมาธิปัญญาพอมีศีลมีสมาธิมีปัญญาก็จะเด็กก็ังมีกําลังที่จะหยุดความอยากต่างๆ ที่โผล่ขึ้นมาในใจได้จนในที่สุดความอยากต่างๆก็จะ ส, สูญหายไปหมดพอสูนหาให้หมดจิตก็สะอาดารบริสุดไม่มีตัวที่จะพาให้ไปสร้างพบสร้างชาติอะไรต่อไปไม่มีาตัวที่จะพาให้ไปเวียนว่ายตายเกิดอะต่อไปแล้วจิตที่ปราศจากปัญหาความอยากก็จะเป็นจิตที่สงบนิ่ง เตเมไปด้วยความสุขที่เรียกว่าความสุขที่เกิดจากความสงบนี่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งหปวงในปัญญานนี้เป็นความสงบความสุขที่ถาวรต่างกับความสงบสุขที่ได้จากสมาธิยังเป็นของชั่วคราวอยู่สมาธินี้ใช้สติกดความอยากไว้ในปัญญานี้ใช้อ่าแต่นิพญานนี้ใช้ปัญญากําจัดความอยาก ในการเห็นตายรับเห็นอริยสัจสีันนี้คือเป้าหมายของชาวพูดแล้วนี่คือเป้าหมายของการสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เพื่อให้สัตว์โลกได้ยุติการเมียนว่าตายเกิดได้พบกับสิ่งมหาสัจจนทรที่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกก็คือพระนิพพานมีมุติหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเมียนวตายเกิด อ๋ออยาจะเข้าใจไหมเข้าใจแล้วนั่นงมาเลยอล้วไปนิพพานก็ต้องวิปัสศีลสมาธิปัญญาอืสีนก็ต้องสีแปดขึ้นไปเพราะถ้าไม่สีแปดมันเข้าสมาธิยากเลยนะเวลาที่จะมาปฏิบัติมันมีน้อยเพอาสีห้ายังไม่ห้ามไม่ไปนูหนังฟังเพลง ไ, ไม่ให้ไปกินข้าวเยน็นไปงานเลี้ยงไปงานแต่งงานแม่เลยมันก็ยังจะทําทให้ไม่มีเวลา มาให้กับการปฏิบัติสมาธิถ้าถึงศีนแปดนี้ไปทำอะไรกิจกรรมไม่ได้เลยทางสังคม <c oughs> ไม่ได้เอาเวลามาให้กับการเจริญสตินั่งสมาธิให้จิตเข้าเข้าฌานให้ได้ให้ได้อุเบกขาถ้ามีอุเบกขาแล้วที่ก็ไปทางปัญญาต่อได้ปัญญาก็จะสอนให้หยุดความอยากถ้าไม่มีอุเบกขาก็หยุดความอยากไม่ได้ ตอนนี้ญาณโยงก็รู้อยู่แล้วว่าความอยากเป็นตัวที่พายเรามาเมียนมาได้เกิดแต่เราก็ยังสู้ความอยากไม่ได้มเป็นยอยากๆให้เราไปนู่นมานี่ทํานู่นทํานี่ดูนั่นดู น, น, น, น, น, น, นี่เราตัตดมันได้แต่ตัดได้แล้วต้องมีสมาธิมีอุบเบกขาเป็นผู้ให้สนับสนุนปัญญาให้ที่หนึง่งถ้ามีสมาธิมีอุบเบกขา มีปัญญาเห็นตายรักเห็นนนิยสัจตลอดเวลามันก็สามารถที่จะตัดความอยากต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจได้อเข้าใจนล้วนะเข้าใจมากขึ้นมากครับรอาจารย์ขอบคุณอย่างส่งครับอไปที่คุณชาแล้วก็อาคุณทิติมา ก, ก่อนคนะ่ะคุณทิติมาอ่า อนพิธี ก, กาครับอาจารย์วันนี้ไม่มีคําถามคราวมารับความธรรมค่ะโอเคยังเส้นแตดอยู่นะใช่ค่ะโอเคสาธุาได้ตำแห่งใดคะคุณสาธิกากับมาม่าเรายังเจอสิ้นแปดอยู่หรือเปล่าอยู่แต่ในห้องไม่ค่อยได้ไปไหนนะคะอาจารย์เพราะว่าก็บอกแล้วตั้งแต่แรกไม่มีอะไระทําอยู่แต่บ้านค่ะ อืมสินแปดได้ไมาก็สิบแปดค่ะสินแปดเนะี่สิบแปดมาแล้วค่ะอ่าดีวค่ะไม่มีอะไรในนอกนี้ที่เป็นส่งหรอมันเป็นทุก์เท่านั้นค่ะทุกเพราะว่ามันไม่เทีย่ยนค่ะ ท, ทุกเพราะว่าเราสั่งมันไม่ได้อืมค่ะนันอย่าไปยุ่งกับมันดีกว่าอยู่กับอยู่กับความสงบดีกว่าค่ะ ส่วนมากก็อยู่ในในห้องอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์<ม>ก็อ่าสื่ธรรมะปะทัทฑ์อาจารย์แล้วก็นั่งสมาธิเช<ม>าว่าใส่บาตร<ม>แล้วก็ถ้าแบบว่ามีอะไรมาอย่างเงี้ยคะ่ะถ้าเจอแล้วก็ให้การช่วยเหลือมีกากัลยนะาณ์ค<ม>่ะค่ะประมาณเนี้ยคะ่ะไม่ค่อยเด้ออกไปไหน มีความสุขจากการทำบุญนะค่ะค่ะนี่สาธุเตรียมตัวเตรียมตัวตายด้วยนะฝุกตายเตียตายกตายก่อนตายนะท่องทุกวันเลยค่ะเหมือนที่เด็กกระท่องน่ะค่ะค่ะพิจารณากวันสาธุค่ะอ่าไปที่พุทตายเจิญพุทธายต่อถายพัทยา ยังไม่ได้เปิดหม่น้งองกลับในวัชการค่ะพระอาจารย์อ่อนานสานี้แปดสินแปดเต็มที่เต็มรูปแบบไหมนะก็สินแปดแต่ต้องทํางานอยู่ะค่ะพระอาจารย์อเมื่อกี้นั่งฟังธรรมพระอาจารย์เมื่อกี้นกเกิดปิติน้ำตาไหลก็เลยว่าจะไม่หยุดก็เลยว่ายัางไม่หยุดแต่พระอาจารย์โทษนะคะอปิติเรื่องอะไรนะ กอที่ฟังของพระอาจารย์เมื่อกี้ะค่ะที่ว่าถ้าทำใจให้มันสงบแล้วก็มันก็จะสุขแล้วก็รู้สึกว่ า, ร, วารู้สึกมันมั น, ม, นมันตื่นตันแล้วมันก็ไปตีออกมาค่ะอาจารย์น้ําตามันก็ไหลอืมนี่สาธอาจารย์พยายามทําให้สงบนะคอยตัดกิเลสนะกิเลสเป็นตัวที่ทําให้ใจไม่สงบอืม แล้วค่ะอาจารย์แล้วการอดอาหารของโยมสิบแปดในพรรษาเนี้ยมันจะเอ่อเสริมเสริมความเพียรของโยมในด้านไหนต่อคะพระอาจารย์มันก็อย่างน้อยมันก็ทําให้เรามีมีสติมากขึ้นที่ว่าเราจะต้องคอยต่อสู้กับกิเลส ท, ที่จะมาชวนให้เราทําให้ขาดศีลไปเรารู้ว่ามันจะชวนให้เรากินเราเราก็กินไม่ได้มีสติอยู่ วนให้เราดูหนังฟังเพลงก็ไม่ได้มีสติแต่สติอย่างอื่นเราต้องเราต้องบังคับต่อต้องบังคับให้พุโทโธอย่างนีน้มันไม่มากับศีลศีลเพียงแต่ทาไม้นอนมีเวลาจะนอนพุโทโธได้มากขึ้นเพราะเราจะได้ไม่ไปเสียเวลากับการไปกินเดิมไปเสพรูปเสียสงกินลดน่นนะที่ศีลแปดห้าไว้เจ้าค่ะ สิ่งที่เราต้ทงาำเองก็คือต้องหมัน่นพยายามเจริญสติ บ, บ่อยๆพุทโธ บ, บ่อยๆเจ้าค่ะก็นั่งสมาธิทุกคืนแล้วพระอาจารย์อรเอวลาทํางาน ก, ก็ให้มีสติอยู่กับพุโทโธทําไปพุทโธไปเจ้าค่ ะ, ะก็มีมีมากขึ้นแล้วก็สู้กับความหิวก็สู้กับความโกรธสู้สู้กับความไม่พอใจต่างๆที่ประสบพบเจอในแต่ละวันนะคะพระอาจารย์ก็ก็สู้ได้เยอะ เยอะพอสมวควรค่ะถ้าจะาขาพระอาจารย์ดีขึ้นเนยอะเลยคะ่ะกับอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมจากเคยเป็นคนโมโหร้ายหรือว่าเป็นคนขี้บน่นหรือว่าเป็นคนอะไรหนุก็ตอนนี้ก็คือแบบปล่อยมันช่างมันเถอะไม่เป็นไรเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราบางเรื่องก็คิดซะอย่างนี้ก็จะรู้สึกเบาใจไปหลายๆเรื่องเลยค่ะพระอาจารย์อ่าแล้วมันจะปล่อยมากขึ้นเรื่อยเมันเห็นว่าปล่อยแล้วมันสบาย เจ้าค่ะอา จ, จารย์ก็ได้ธรรมะของพระอาจารย์เนี่ยนะคะที่ช่วยขัดเกลื่นิสัยใจคอของตัวเองกราบขอบพระคุณพระอาจารย์มากมากเลยค่ะเวลาโลภอยากได้อนะไรก็บอกตายไปก็เอาไปไม่ได้นะจําเป็นต้อเอาไหมถ้าไม่จำเป็นก็ไม่อยากไปเอามันดีกว่าเหนื่อยไปเปล่าเปล่าเจ้าค่ะแต่มันติดตรงที่ว่า ทำให้ลูกทำให้ลูกอะไรอย่างนี้พ่อทำเองเราเดี้ยงเขามาโตเราเคยลำบากไงพ่อจาร์เราก็ไม่อยากให้ลูกลำบากเหมือนกันเราอะไรอย่างนี้ค่ะมันก็เลยแบบความลำบากนี่มันทำให้เราแก่ความสบายนี้ทำให้คนมันอ่อนอ่อนแอลงไปใช่ค่ะอืงั้นต้ให้เขาให้เขาลำบากเขาจะได้ต่อสู้กับความลำบากได้พอต่อไปเราไม่อยู่นะเขาจะ เพื่อนยันถ้าก็ไม่เพิ่มตัวก็เองเจ้าค่ะอาจารย์ไม่น้องกลัวไม่น้องกลัวเรื่องความลําบากให้ก็ลําบากนะลําบากเนี่ยนะเป็นตัวสร้างบารมีขันติบารมีนะวิริยะบารมีเจ้าค่ะเจ้าค่ะอาจารย์กลับเขาก็นคนแน่ใจวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วคะ่ะนะถึงถึงจะเชิญคุณเดซีายาเจริญ แม่กลับถึงบ้านแล้วยังอ๋อาอยู่ในจอนี้เปล่าพระอาจารย์นมาส ก, การค่ะพระอาจารย์คุณแม่ไปคุณแมอ่อยู่คิวถัดม า, อ, าอีกหน่อยอนะครับคุณแม่อยู่สระบุรีค่ะอ๋ออยู่คนละที่ค่ะค่ะวันอาวันนี้ไม่มีคําถามค่ะมาร่วมรับฟังธรรมค่ะโอเคองั้นเราไปต่อเลยคุณออนนองเชิญมาสการกับพระอาจารย์ วันนี้ไม่มีอะไรเหมือนกันค่ะอาจารย์เข้ามารายงานตัวโอเคยินดีต้อนรับยินดียินดีที่อาจารย์พรหมพิรายต่อก่อธรมอีเหมือนกันอาจารย์พรหมพิรายกับคุณน้องน้องสกามอาจารย์ค่ะน้อสการรพะอาจารย์ครับอเป็นยังไงบ้างอาจารย์ดีขึ้นได้ยังก็เออดีขึ้นทุกวันฮะแต่ว่ายังยัง ไม่ได้เจอคุณหมอนะเจอวันที่สิบสามอ๋อนั่นยาวเลยนะครับเพราะคุณหมอบอกยาต้องใช้เวลาประมาณสามสีอาทิตย์นโอเคแต่ว่าตอนนี้ก็อยู่ได้อยู่ละอยู่น้กอยู่ไ ด, ได้ไม่ได้ก็ต้องอยู่กับมันไปนะอย่าไปชุกกับมันก็นแล้วกันแล้วก็ตอนนี้ก็ไปไหนมาไหนสบายฮะ <c oughs> โอเคจรนะนะจริงนะจักจะชักจะชักจะชอบส ม, ยมัยต อ, อนไม่ต้องกังวลยังไม่ต้องหันไม่ต้องตื่นมันได้อย่างเสียอย่างนะดีอาจารสบายดีนะฮะสบายดีอืมเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเบียร์เขาจะพาคุพ่อไปถวยอาหาพระอาจารย์ค่ะอ่าเจารย์ตอนนี้ลูกชายติดพ่อ เดี๋ยวได้มีโอกาสตอบแทนมันคุณรับใช้บุญห้องตามมาบัวบอกพ่อแม่เป็นเป็นผ้าหล า, านของลูกๆตอนนี้เป็นลูกกำพาอยู่ <laughs> ค่ะพออาจารย์ท่าขันแข็งแรงนะคะวันนี้ก<า>็มารับฟังค่ะครบสวัสดีครับอันนี้คุณจุ ปปรบรรจุโปเบจนยุบ ก, การพระราชการพระอาจารย์เจ้าค่ะอือวันนี้นไม่มีคําถามเจ้าค่ะพรรษานี้ถืออะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าถืสิ่งแปดเจ้าค่ะสิ่งแปดนะเจ้าค่ะโอเคนี่นั่งสมาธิมากขึ้นหรือเปล่าตั้งแต่ที่พระอาจารย์ตำหนิหนูคราวที่แล้วที่บอกว่าฟังธรรมจนหูฉี่ถ้าไม่ปฏิบัติก็ไม่จเจริญ หนูก็เล่งทําตั้งแต่ตอนนั้นเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์ะทําบ่อยขึ้นค่ะก่อนนอนก็ทําแล้วก็ตื่นมาตีสี่ก็ทําเจ้าค่ะแล้วก็ระหว่างวันนี้ก็คือที่พระอาจารย์เคยสอนว่าให้มีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาบริกรรมตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงถึงนอนอย่างเงี้ยค่ะหนูก็ทําอยู่แต่เจ้าค่ะก็ดีเจ้าค่ะดีขึ้นเจ้าค่ะสมาธิรู้สึกว่ามัน รู้คือการที่เรารู้ตัวตลอดเวลาสมาธิมันเข้าได้ดีมากเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์สตินี่สำคัญถ้ามีสติแล้วสมาธิก็จะจะมาได้อย่างง่ายดายหนูเข้าใจสิ่งที่พระอาจารย์สอนได้มากๆเลยอะค่ะ <Okay. S 2> ที่พระอาจารย์บอกว่าให้ทำแล้วค่ะจะพยาันยาปฏิบัติต่อไปเจ้าค่ะาสาธุยินดีด้วยขอบคุณเจ้าค่ ะ, คะพระอาจารย์ อไปที่คุณหมอภาคสนาเิมค่ะกลอนนมสดกการค่ะพระอาจารย์ค่ะก็อภารรษานี้ก็จริงๆริงศิลปก็ถือมาตั้งแต่ตอนนู้นนะคะสามสี่ปีถือมาตลอดแล้วก็ภารรษานี้ก็สองข้อทุดลงขวัตก็คือกินวิ้ดเดียมมาตลอดเหมือนกันนะคะแล้วก็ในสัญชีเขาสิเมื่อเอพูนที่แล้วค่ะพระอาจารย์คะก็จริงๆตอนแรกที่การเป็นถามพระอาจารย์ว่าอาจะนั่งนั่งแล้วก็พอนั่งเสร็จปุ๊บก็จะ พิบัติศาด้วยใช่ไหมคะมันกลายเป็นแบบว่าเหมือนคิดไม่ออกมันก็เลยนั่งไว้เรื่อยๆจนกระทั่งถึงตีห้าแล้วก็ลุกขึ้นมาเดินถึงจะเย็ยบิบัติศาลาตอนเดินงมค่ะพระอาจารย์มันกลายเป็นนั่งมันไม่อยากคิดมันมันมีความสุขมันก็เลยนั่งก็เลยนั่งไปเลยพระอาจารย์เลยไมย่ไม่ได้คิดนะคะพระอาจารย์เอเลลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาเดินแล้วค่อยคิดถ้าใดสงบก็ไม่ไม่ควรคิดอะไรควรนั่งให้มันสงบไปด้เนี่ยอย่างไรวันนี้ก็เหมือนเดิมก็คือนั่งไปก่อนเลยเพราะว่านั่งรู้สึกว่าจะได ตัวตัวกิเลสแต่มีความรู้สึกว่ามันมันเห็นความจริงอะไรมันบบว่ามันเห็นสติมันทันนะมันก็เลยรู้สึกก็มีความสุขแล้วก็เบาเาะอาจารย์ยังไม่มีปัญหาอะไรอาจารย์ยังเบาอโอเคดีทาต่อไปนะอ่าทาต่อไปเลยค่ะไปที่คุณซันนี่แบงคอกตั้ ง, ง, ถ, งถือศีลแปดระเบิากรรมนิมัส ก, การครับอาจารย์ค่ะ ยังถือศีลแปดเฉพาะวันอาทิตย์ อ, อยู่ค่ะเพราะวากวันอื่นเอ่อทำงานค่ะก็เลยมไม่ไม่ไม่ได้ถือไม่สะดวกไม่สะดวกโอเคแต่ก็ก็จะพยายามพัฒนาไปเรื่อยๆค่ะโอเคมีอะไรวันนี้ไม่มีคำถามมาร่วมฟังธรรมค่ะอาจารย์โอเคอเันดับทีเก้า กลับนมรสการพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้ไม่มีคําถามเจ้าค่ะเข้ามาร่วมรับฟังเจ้าค่ะหายสงสัยหมดแล้วเนี่ยังเจ้าค่ะพระอาจารย์ยังมีสงสัยอยู่เจ้าค่ะแต่วันนี้ยังไม่มีคําถามเจ้าค่ะก็ปฏิบัติอยู่เจ้าค่ะขอบคุณเจ้าค่ะเปนยินดีอาจารย์สวัสดีค่ะท่านอาจารย์ไม่มีคําถามค่ะท่านอาจารย์เข้ามาร่วมรับฟังธรรมกับ กัญญาในวิทยุท่านค่ะแล้วก็เด <Okay. S 2> วิดเหมือนอาจารย์ก่อนออกไปจากบ้านก็เขาบอกวันนี้วันผระวันท่านอาจารย์มามอญ่องเตสให้อาจารย์ด้วยค่ะโอเคฝากขอบคุณด้วยนะค่ะขอบคุณค่ะท่าอาจารย์อ่ะดูที่อาจารย์สายทิพตาออาจารย์สายทิพย์เดินกลับนรมาสการพระอาจารย์เจ้าค่ะ ค่ะถินแปดหลุดหนึ่งวันค่ะพระอาจารย์ทำงานแปดโงถึงสี่ทุ่มแล้วก็ไปเตรียมอาหารไว้สำหรับวันรุวันรุ่งขึ้นอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์หอมชิมซะหน่อยค่ะก็เลยหลุดไปแต่ว่ายังยังพิจารณาเรื่องของเหมือนเหมือนได้เอาวธสู้กับกิเลสค่ะพระอาจารย์ เรื่องของอนิจจังทุกขังอนัตตาอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ mm. คือเข้าใจว่าทุกอย่างมันอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ไม่ได้ไม่ได้ยึดอะไรแล้วค่ะพระอาจารย์ก็ก็ปล่อยมันเป็นไปอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วก็พอมีอะไรขึ้นมาก็เหมือนปล่อยวางได้ง่ายมีวันหนึ่งหนูเห็นอยู่ๆความคิดมันเห็นความคิดที่มันโผล่ขึ้นมาได้ค่ะพระอาจารย์ มันเหมือนกาลังจะโผล่แล้วก็ความคิดนั้นน่าจะเป็นเชิงเชิงเหมือนเหมือนเชิงไม่ดีแต่ว่ามันมันไม่ทันได้โผล่เหมือนเราเห็นก่อนแล้วมันก็ปุ๊บก็เลยอ๋อความคิดมันโผล่ขึ้นมาเองเป็นแบบนี้นี่เองอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์พอเห็นนุ่นก็เหมือนมันก็สลายมันก็ก็ก็หายไปค่ะเหมือนมันยังไม่ได้ไม่ได้ก่อตัวจนจบอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ก็เลยอันนี้คือเหมือนเหมือนเรา ควรจะต้องมีสติรู้อย่างนี้เรื่อยๆใช่ไหมคะพระอาจารย์ได้มีเป็นสติมีปัญญาให้รู้ทันใจอย่าไปทุกข์กับอะไรปล่อยมันผ่านไปไม่เที่ยงในที่สุดมันก็มันก็จบค่ะมัน ก, ก็ยอมรับแล้วก็รู้ว่าเราก็เป็นแค่ แค่สภาวธรรมเหมือนกันแล้วก็เหมือนอะไรมารวมกันจุ๊มจุมจุ๊มเดี๋ยวเราก็สลายอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็รู้ว่าเราทางไปของเราที่เราต้องการก็คือปล่อยหมดอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ก็ก็ก็เห็นทางทางเดินที่จะไปค่ะอเราเป็นดวงวิญญาณเราเป็นธาตุนู้นที่ในที่สุดก็ต้องแยกออกจากร่างกายไปค่ะเข้าใจมากขึ้นแล้วก็เห็นว่า การตายก็เป็นหน้าที่ที่ทุกคนมีหน้าที่ถ้ายังไม่จบก็สั่งสารวัต ก, ก็วนไปเหมือนเราก็ดูดหรือเราก็เข้าไปเกาะอะไรต่อถ้าเราปล่อยไม่ได้เราก็คงจะต้องทุกข์ทรมานในวัฏสงสารต่ออะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ก็จะพยายามปล่อยฝึกในการที่จะปล่อยได้ไปเรื่อยๆค่ะยอมรับเข้าไปเรื่อยๆว่า ไม่มีอะไรเป็นของเราเราจะได้ปล่อยประมาณนี้ค่ะพระอาจารย์ค่ะค่ะไม่ยอมปล่อยไป เ, เรื่อยๆเนี๋ยมันก็จะปล่อยเองค่ะมันจะเห็นว่าถ้าไว้ไม่ปล่อยมันจะทุกข์ค่ะยิ่งยิ่งยิ่งยิ่งดื้อ ย, ย, ยิ่งทุกข์ค่ะพระอาจารย์แต่บางทีมันก็ก็ก็เผลอเหมือนแบบบางเรื่องเราเห็นว่าเอ๊ะอันนี้มันไม่เหมาะสมต้องบอกสักหน่อยแต่พอบอกไปแล้วก็ เอควรจะหรือจะปล่อยไปเลยอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ยังยังมีคาใจนิดๆเวลาทํางานแล้วเรารู้สึกว่าอันนี้มันน่าจะต้องบอกให้เขารู้หรือเราควรจะต้องก็ปล่อยไปเลยไม่เป็นไรหรอกอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์เหลือคาใจนิดๆก็ชั่งน้าหนักดูว่ามันสําคัญไหมพูดไปแล้วมันได้ประโยชน์มากกว่มามากกว่าเกิดโทษเกิดพูดไปก็ได้ถ้าพูดไปแล้วไม่เกิดประโยชน์เกิดโทษก็อย่าไปพูดเดน ก็คือขึ้นอยู่กับสถานการณ์บางอย่างพูดไปก็ไม่พูดกับพูดก็ไม่ได้อะไรมากก็ปล่อยไปแต่ถ้าบางอย่างเป็นการช่วยให้เขาได้ระมัดระวังก็ควรคว ร, ควรจะต้องบอกอพิจารณาเป็นอันอันไปใช่ไหมคะอาจารย์ดูผลกระทบที่จะตามม า, มากการที่เราพูดกระทบกับตัวเราก็ดีกระทบกับตัว เ, า ข, วเขาก็ดีค่ะ ได้ค่ะพระอาจารย์ที่เหลือก็ก็ยังนั่งสมาธิแล้วก็พยายามปฏิบัติไปได้เรื่อย อ, อยู่ค่ะพระอาจารย์ค่ะแล้านที่จะไปอยู่เป็นยังไงบ้างจะไปถึงไหนตอนนี้นะคุณพ่อเริ่มขยับข ย, บขยายต้นไม้ต้นไม้เอาไปปลูกพื้นที่เริ่มเริ่มเริ่มเริ่ ม, เ ร, มเริ่มลงแล้วค่ะพระอาจารย์รแต่ว่าก็ื้นที่เพียพื้นที่ให้ค่ะย้ายเสาย้ายต้นไม้ ย, ย้ายย้ายไปหมดเลยเพราะว่าพอ พ, อ, พอจะทําจริงๆคุณพ่อทํา ไม่ไม่น่าจะเลยค่ะาพราะอาจารย์แต่ว่าคงจะเอาปลอดภัยแล้วเผื่ อ, อเผื่อพี่น้อง<ๆ>เผื่อไปเยี่ยมเยือนอะไรเงี้ยก็ทําไว้อีกห้องนึงด้วยก็ตามใจคุณพ่อคน่ะักลายเป็นบ้านเลย ม, ม, มันก็มันก็อย่าไปสร้างมันไม่ดีกว่าถ้าไปให้คนมาอยู่ด้วยมันก็จริงๆก็ที่บ้านก็ก็พี่บอกว่าก็ไม่จริงๆไม่มีไม่มีใครจะไปอยู่ด้วยละค่ะพระอาจารย์แต่ว่าคุณพ่อเขาเขาเหมืนเผื่อไว้ ก็เลยตามใจคุณพ่อจะได้สบายใจแต่คุณพ่อก็มีเผื่อไว้เอ๊ะเราจะเบื่ออีกหรือเปล่าหมายถึงว่าพ่อบอกว่าหนูหนูจะเบื่อไหมก็ก็เลยว่าถ้าเบื่อหนูก็จะไปบวชเพราะพ่อพ่อพ่อแอบวางแผนว่าเบื่อตรงนี้จะทําเป็นเหมือนอ่าอะไรเป็นเหมือนคาเฟ่อะไรก็ก็เลยว่าถ้าพ่อจะทําคาเฟ่ก็ได้ก็ยกให้คนอื่นทําแต่เราจะไปก็ก็ก็ก็แล้วแต่อะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์เหมือนคุณพ่อก็ก็ คงดู y o u ูทูบเยอะว่ากเกษียนมาทําอะไรประมาณนี้แต่หนูก็บอกคุณพ่อแต่แต่ที่บ้านพี่สาวอะไรเงี้ยเขาบอกว่าพี่ไม่ไปนอนด้วยหรอกแต่ว่ากลางวันอาจจะไปเยี่ยมไปไปเล่นด้วยบ้างอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ก็เลยเอาที่พ่อสบายใจน่าจะปีหน้าค่ะพระอาจารย์น่าจะได้สร้างตอนนี้ให้ช่างเขียนแบบแล้วค่ะจริงจังมากโอเคค่ะประมาณนี้ค่ะพระอาจารย์ค่ะสาธุสาธุค่ะ คุณมาเลยคุณมาเลยของคุณเสร็จไปอย่างบ้านคุณเสร็จเสร็จแล้วค่ะอยู่อยู่แล้วค่ะอยู่คนเดียวค่ะแล้วก็ไม่มีห้องรับแขกรับคนไม่ไม่ไม่มีคะ่ะแล้ก็ค่ะมีจะเป็นห้องอย่างเดียวแล้วก็ลอกชานแล้วก็ที่นั่งนิดหน่อยคะ่ะนี่กุฏิพระใช่คะ่ะอ่าตงห้หองงห้องค่ะแล้ก็ หนูก็ยังปฏิบัติอยู่อะค่ะหลวงพ่อวันวันหยุดก็ไปวัดทำทานแล้วก็ไปปฏิบัติฟังเทศฟังธรรมอย่างเงี้ยค่ะหลวแล้วการพิจารณากายให้เห็นแจ้งอะหนูสงสัยว่ามันต้องแจ้งระดับไหนขั้นไหนอะค่ะหลพ่อก็ระดับกิเลสตายอะไรย่างเี้ยระับกิเลสตายถ้ากิเลส ย, ย, ย, ยังไม่ตายก็ยังก็ต้องพิจารณาให้มันตายให้ได้ พิจารณาเพื่อฆ่ากิเลสค่าตัญหาความอยากฆ่าอุปทานความยึดปั้นถือมัน่นในร่างกายในตัวตนในทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองในสิ่งต่างๆในสภาพวัธรรมทั้งปวงแล้วพอมายิ่งฝึกยิ่งพิจารณาทาไมมันจิตมันสงบแล้วมันสมาธิมันมาเยอะยอย่างเ ง, ง, ง, งี้ยค่ะหลวงพ่อแล้วก็กิเลสมันตายมันก็มา แล้วมันมันมีความรู้สึกว่ามันมันไม่อยากได้ใข่ดีอะไรอ่ะคังเพราะมันอยาง อ, อยู่แบบสงบมันไม่อยากจะเอาใจออกไปข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยแล้ากิเลสไม่มีมันก็ไม่อยากจะได้ที่ตัวอยากได้ก็คือตัวกิเลสนะครัเหมือนเห็นอะไรก็ละล ะ, ละว่างๆปล่อ ย, อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือวเหมือนไม่อยากไปยึดไม่อยาก ไม่อยากเหมือนไปวิ่งเต้นหาอะไรเงี้ยค่ะหลวงพ่อคอยดูตัวอย่างไอ้ตัวนี่ไม่อยากไม่เป็นไรปล่อยแล้วก็ปล่อยไปไอ้ตัวที่ยังอยากอยู่เนี่ยต้องคอยกำจัดต่อไปก็ไอ้ที่ยังอยากอยู่ก็คือว่าอยากเดินทางเนี้ยให้มันคือเหมือนอยากจะให้ขยับไปอีกอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อก็ต้องทำตามความอยากถ้ามันเป็นทางความอยากทางธรรมก็ต้องทำถ้าความอยากทางกิเลสก็ต้องหยุดค่ะ แล้วมันขัดแย้งกับไอ้ที่เป็นอยู่กับทุกวันนี้ค่ะคือใจมันอยากเดินไปทางนี้แล้วแต่มันก็ต้องขัดแ ย, งย้งแต่ว่าที่อยู่มันเป็นทางโลกมันจะไปทางธรรมมันก็ต้องไปทางอะแล้วเวลามันเหมือนแบบมันพยายามตัดไอทางโลกค่ะหลวงพ่อมันกลายเป็นว่าเหมือนเราเอาตัวเราคนเดียวอะค่ะหลวงพ่อคือเราไม่สดแล้วจะไปเอาใครไปด้วยไม่ไปไม่ได้ ตใครตัวมันแาบนี้คือห น, หนูหมายถึงว่าแบบอะไรก็จะไปทางวัดไ ป, ไปปฏิบัติอะไรก็คือไม่ไ ม, ไ, มไม่นอนไม่นี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะไม่เราพุทธเจ้าเขาไปคนเดียวแล้วทีเนี้ยไอ้คนที่อยู่ข้างหลังก็เรื่องของเขาเลยเขาอยู่ขเข า, านนเขาก็ อ, าอยู่ของเขาไปเราตายวันนี้เขาก็เขาก็อยู่ของเขาไปมันมันเหมือนหนูปล่อยคือคือหนูหมายถึงว่า คือเหมือนละทิ้งเขามากขึ้นนะคะหลวงพ่อมันละมันปล่อยปล่อยัปเลยก็จะอยู่ก็อยู่ไปอย่างเงี้ยคะ<ม>่ะหากินหาอยู่เอาเองเพราะว่าหนูหนูก็จะไปทางนี้แล้วอะไรเงี้ย ค, ค่ะก็คือ<ม>เราต้องปล่อยนะถ้ายังยึดติดมันก็ไปไม่ได้แล้วไปแล้วมันก็จุดใจมันไปแล้วอ่ะค่ะหลวงพ่อแต่ว่ามันยังยังเหลืออีกแค่ตรงเนี้ย ค, ค่ะหลวงพ่อ คือยิ่งเราไปฝึกยิ่งไปปฏิบัติมันมันยิ่งเห็นเห็นว่ามันไม่มีทางอื่นที่มันดีกว่าเนี้แล้วค่ะพอถ้ามันไปแล้วมันก็ไปแล้วมันยังไม่ไปหนูหมายถึงว่ามันมันมันชาไอ้ภาระตรงเนี้ยค่ะเพราะนั่นเลยมันก็ยังไม่ไปก็ยังไม่ไปมันยังตัดภาระไม่ได้มันก็ยังไม่ไปมันมันยังติดอยู่ตรงเนี้ยค่ะก็ไม่ตัดมันก็ติดเลย เราไม่รู้จะเอาภาล่ไปให้ใครอ่ะพอก็เรื่องของเขาเลยพอเราตายแล้วก็าทำยังไงล่ะแล่ถ้าตัดไม่ได้ก็ตัดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้บังคับถ้ายังอยากจะแบกภาล่าอยู่ก็แบกไปมันมันรู้สึกตอนนี้มันรู้สึกขัดแย้งกันสองทางเนี้ยค่ะหลวงพ่อมันนั่นแหละทางโลกทางธรรมมันไปเนือไปเหนือก็ไปใต้จะไปมันไปด้วยกันไม่ได้ ค่ะยังไปไม่ได้ก็ไปทางทางโลกก่อนคือไปทางโลกหนูก็ไม่ได้ว่าไปอะไรนะคะมีแค่เลี้ยงดูเขาแค่เนี้ค่ะแล้วก็เลี้ยงดูดนั่นแหะก็เลี้ยงดูก็เลี้ยงไปแต่อย่างนีเลี้ยงดูก็เลี้ยงต่อไปแต่ว่าหนูก็จะแบ่งเวลาคือหนูจะมาทางนี้มากกว่าออคือแค่เหมือนสมมติดูแลสามเวลาก็แค่นั้น หากินหายอยู่แล้วที่เหลือหนูไม่หนูไม่เอาหนูก็คืนหนูมากของหนูถ้าพอเพียงที่จะทำให้หนูหลุดได้ก็ไปก็ทำไปทำไมมันวิมุติหลุดพ้นได้ก็ทำไปถ้าเราเขะเข้าใจไหม เข้าใจแล้วค่ะอืมก็ปฏิบัติได้แต่ก็เหมือนพระ อ, อนนท์พระ อ, อนนท์ก็ดูแลพระพุทธเจ้าก็เลยไม่ได้ไปปฏิบัติก็เลยยังไม่ได้บรรลุสติตลายพระพุทธเจ้าตายก่อนถึงจะได้ไปปฏิบัติถึงจะได้บรรลุสามเดือนกับบรรลุได้พระอนอนท์ถ้าไปเร่งทําความเปลี่ยนสามเดือนไม่ต้องยื้กับใครสามเดือนมันก็ได้ แต่ถ้ายังต้องมาคอยดูแลพระอุธเจ้าคอยจัดบาตรคอยจัดจีวรไปจัดอาหารจัดอะไรให้พระเจ้าอยู่นี่ก็ก็ไม่มีเวลาไปปฏิบัติเด็มที่มาจายไหมกรจาัอรค่ะก็ไม่เป็นไรก็ทำหน้าที่ไปก่อนทำบุญไปก่อนทำบุญทำทานไปก่อน โอเคมีมมอะไรไหมไม่ไม่มีแล้วค่ะหลวงพ่อขอบคุณหลวงพ่ อ, ค, <ม>อ ค, ค่ะสาธไม่ต้องกังวล น, นะนที่เราพูดนี้เราไม่ได้พูดเพื่อที่จะไปบีบบังคับหรืออะไรพูดตามหลักธรรมนั่นเองค่ะไม่ไม่ได้บีบบังคับแ่่แต่ว่ามันเป็นความจริงที่หลวงพ่อบอกอะค่ะมันมันขัดแยง้งกันอแล้วก็ทําไปตามความเหมาะสมของเราเองก็แล้วกัน ถ้าเราอยู่ถ้าเราอยู่ในถ้าเราเป็นตัวหนูเราก็อาจจะทําอย่างที่หนูทำก็ได้นที่เราไม่ได้อยู่เราก็พูดได้แต่ถ้าเราอยู่ในเหตุการณ์นั้นเราก็อาจจะทําไม่ได้ก็ได้ทํตาตามที่เราพูดไม่ได้ก็ได้แต่แต่ถ้ามันมันมีเหตุมันมีปัจจัยอะไรที่ทําให้เราตัดสินใจก็อาจจะเป็นอย่างที่หลวงพ่อบอกก็ค่ะหลวงพือคือหมายถึงว่าถ้าตัดชุบมันก็ก็คือมัน มันไปอะไรล้งไม่ได้มันก็ต้องต้องอย่างนั้นนะอย่างที่หลวงพ่อบอกอะ่ะอย่างมันก็ยากน ะ, ะว่ามันเป็นลูกมันก็เป็นเหมือนเป็นบ่วงอย่างพระเจ้าบอกนะพอได้ข่าวได้ลูกก็พระเจ้าบอกบ่วงมันต้องกระโดดนี้นะอืะแล้วคือเขาไม่ไม่ได้ปกปติเหมือนกับคนเด็กทั่วไปอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็จะมีความความห่วงเขามาก มากกว่าปกติอ่ะค่ะแต่ถ้าเกิดเขาปกติก็ไม่ไม่ได้ว่าตัดสินใจยากอะไรนะคะก็อันนันมันจะเป็นบวงนัดคอเราอยู่นี่นัดใจส อ, อสองชั้นสามชั้นอ่าค่ะ okay. ไม่มีลูกสาหรับคนไม่มีลูกก็อย่าไปมีกันนะพูดเดินสติให้ ใครไม่ ม, <ช>มีก็ถือว่าโชคดีาาาว่าาไมแล้วยอยา่ออยาไป อ, อยากมีลูกนะคนที่มีลูกยากอย่าไปทําก๊บทำกิฟต์อะไรให้เสียงเงินไปยว่าเสียเงินแล้วก็มีห่วงมามัดคอแล้วใ ช, ใช่คนเราไม่คิดจะมาเป็นบ่วงไม่คิดว่าโอ้มีลูกก็มีความสุขมันไม่ใช่แล้วไม่มีคนมาเลี้ยงดูเราตอนแก่ไม่ไม่จริงเสมอไปว่ามีแล้วเขาจะมาดูแลหรืออะไรเงี้ยก็ไม่จริงค่ะ ไม่จริงน ค, นคนในราคุณมีเยอะแยะไปลูกในระคุนมีเยอะแยกไ ม, ก ใ, ม, กไมใช่ค่ะก็อย่างที่เขาพูดพ่อแม่สองคนเลี้ยงลูกสิบคนได้แต่ลูกสิบคนเลี้ยงพ่อแม่สองคนไม่ได้ใ ช, ใช่ค่ะนะโอเคนะทาไปทเท้งที่เราทําได้ไปก่อนค่ะขอบคุณหลวงพ่อค่ะอย่าหยุดอย่าหยุดทำกันแล้วกันไ ม, นะไม่ไม่หยุดค่ะหลวงพ่ อ, อโอเคเดีย๋ยวถึงเวลามันก็ มันก็โล่งเองอะมันเดีย๋ยวอาจจะขึ้นเดีย๋ยวถนนว่างขึ้นมามันก็ว่างขึ้นมาเองถึงเวลามันจะว่างขึ้นมาค่ะตอนนี้ก็ติดติดติดก็ขับไปตามตามสภาพของถนนไปก่อนฮ่ะรถติดก็ตรอติดกับเข้าไปค่ะโอเคไปที่คุณแนนต่อแนอนอูดรทานี <c oughs> <c oughs> ยังไม่ได้เปิดหม่นักการศึกษาค่ะอาจารย์ได้มีคำถามเจ้าคะมีลูกกับเปล่าไม่ีลูกกับเปล่าเอ้ยไม่มีเลยค่ะเกิดตาแม่ก็ไม่ให้แต่งงานเลยค่ะแม่บอกอย่าไปมีลูกนะคะนี่าจะไปบวชีได้แล้วเนี่ยถ้าไม่แต่งงานเหลือทำหน้าที่ค่ะคระอาจารย์ทําหน้าที่ให้เลี้ยงแม่ค่ะใช่ค่ะดูแลคุณพ่อคุณแม่ด้วยค่ะ แต่คุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ได้ทําให้หนักใจ น, นะคะแต่ก็ดูแลท่านคะ่ะตอนนี้อยู่กับปัจจุบันเจ้ค่ะพระอาจารย์ <ขา S 1> ค่ะพระคุณาจากกาเจ้าค่ะอคุณมาิการะบรากาศเจ้ากับพระอาจารย์วันนี้มาร่วมฟังธรรมไม่มีคําถามเจ้าค่ะทำไมไม่ได้ไปกับคุณอุษาขราที่แล้วไม่ได้ไปกับพระอาจารย์พอดีก็ติดธุระทางนี้ก็ไม่ได้ไปกับพระอาจารย์อ่ไม่ได้ไป ก็ไม่เป็นไรก็ปฏิบัติที่บ้านก็นได้นะแต่สาวกอาจารย์ก็ปฏิบัติอยู่ก็น้อมนําคําสอนของข้าอาจารย์ก็มาปฏิบัติอยู่ประจำอะไรครัอาจารย์บางครั้งก็ทุลักทุเลเหมือนกันครับอาจารย์เวลาถูกผลทด้อบหนักๆก็แต่ว่าก็พอได้รละลึกถึงคําสอนของข้าอาจารย์ก็นึกขึ้นได้ว่าอ๋อมันก็อนิจจ์นะมันก็ไม่เที่ยงแท้มันก็ไม่จีรงังไปตามสังขารค่ะอาจารย์ สาธุเจ้าขาป้าจางมีอะไรไหมไม่มีเจ้าขาป้าจางถ้าไม่มีก็ไปที่คุณโยมแจนต่อพิสเบอร์จะหายไปแล้วหลุดไปแล้วเลยเมื่อกยังเห็นอยู่น่าจะหลุดไปนะเดี๋ยวคงจะกลับเข้ามาใหม่ครับอาจารย์ ธัมรมสถานค่ะโอเคเห็นนะ้วอาจพูดได้เลยมีอะไรไหมก็ยอมถือสินห้าเราก็ปฏิบัติทุกวันคะ่ะพระอาจารย์วันนี้ไม่มีคําถามคะ่ะเข้มามากราบพระอาจารย์คะ่ะโอเคปฏิบัติ ด, ดีไหมมีความสุขไหมบางวันมันก็มีฟุ้งซ่านบ้างนะคะพระอาจารย์แต่ถามว่าอา่มันมันมันเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองคะ่ะพระอาจารย์เวลามีอ่า กิเลสเข้ามาอย่างเช่นมีโทสะมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์มันตามเท่าทันค่ะพระอาจารย์โอเคได้ประโยชน์นะได้ประโยชน์ค่ะพระอาจารย์ดีทําต่อไปสาธุค่ะ ข, ขอบคุณค่ะพระอาจารย์โอเคอาารย์ที่คุณอุตสาต่อบคุณอุตสาห์สิบสระบุรี น, นระงานรับรการค่ะพระอาจารย์ได้ยินใช่ไหมได้ ย, ยินจ้ะ ตละ บ, บุรีค่ะโยมมาอยู่กับน้องเพราะว่ามันโยมไม่รู้ว่าโยมจะมีโอกาสได้นานแค่ไหนโยมก็เลยมาใช้เวลาช่วงนี้อยู่กับน้องก่อนค่ะไม่รู้ว่าอนาคตรเราจะอยู่ได้แค่ไหนค่ะอาจารย์ไม่มีอะไรแน่นอนนะใช่ค่ะแล้วโยมขึ้นไปบนเขารอบนี่โยมทานอาหารน้อยลงใช่ไหมคะแล้วมันปวดท้องปวดท้องตอนแรกก็นวดท้องแต่นึกขึ้นมาว่าเอ๊ะหลวงปู่หลวงตาบอกว่าพอใกล้จะไปเนี่ยวันตายอะค่ะ มันจะเปาะทรมานมากกว่านี้โยมก็เลยนอนแล้วก็พิจารณากําหนดลมหายใจค่ะปล่อยให้มันปวดท้องไปกําหนดลมหายใจจนกระทั่งมันเบาลงอะค่ะอาจารย์อืใช้วิธีแบบใช้ธรรมะอุศนี้ค่ะใช่ใช่ค่ะโยมโยมลองดูเพราะว่าถ้าเราปวดแค่นี้เราต้องเราต้องผ่านมันไปให้ได้แต่ว่าในขณะที่ที่ดูใช้กําหนดลมหายใจขึ้นมาใช่ไหมคะแต่ท้องมันจะตึงแข็งมากเลยค่ะตอนนั้นมันจะตึงแข็งขึ้นมาตู้กับลมหายใจเรา แต่ก็แยกเขาไปค่ะไม่สนใจเขาก็มันเบาลงแล้วก็หายขึ้นค่ะหายไปค่ะอาจารย์<ม>ชัยทีนี้เพราะโยมรู้สึกว่าความตายมันจะมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แล้วโยมก็ชะลาลงไปเรื่อยๆใช่ไหมคะมแล้วก็คนคนใกล้เคียงโยมก็จะเป็นยังไงไม่รู้โยมจะมีภาระอะไรอยู่ข้างหน้าโยมไม่ทราบโ<ม>ยมก็เลยคิดว่าโยมเอาเวลาช่ที่โยมไหวมาเก็บให้ได้ให้มากที่สุดค่ะอืมค่ะดี อย่าประมาทพระเจ้าบอกพป็นชนะสามขานอยู่เรื่อยเป็นของไม่เที่ยงใช่ค่ะแล้วก็โยมเราับไปใช่ค่ะแล้วโยมขึ้นไปบนเขาโยมก็ลองนั่งทําแบบที่อาจารย์บอกว่าให้นั่งที่เก้าอี้ใช่ไหมคะหกห้าชั่วโมงวันแรกโยมก็นั่งห้าชั่วโมงแล้วโยมก็บอกว่าถ้าเราเปลี่ยนมันนั่งเป็นนั่งขัดสมาธิแทนท่าจะนั่งบนเก้าอี้ธรรมดาก็ลองมานั่งขัดสมาดกําหนดหนึ่งชั่วโมงค่ะอาจารย์อืนั่งสมาธอยู่แบบนั้นแรกๆก็ภาวนา พอมาเริ่มปวดแล้วก็ภาวนาแข่งกับมันนะคะแล้วก็อยู่กับมันให้ได้พอครบชั่วโมงโยมก็ต่อไปอีกห้านาทีลองดูก็ใช้ได้ดีอยู่ค่ะอาจารย์แล้วมันทำให้เรานั่งนั่งภาวนาได้ดีขึ้นค่ะก่อนหน้านี้จะนั่งแล้วมันจะเจ็บนิดเดียวแป๊บเดียวก็ไม่สู้แต่นี้ก็คือมันจะไปเรื่อยเรื่อ ย, อ ย, อ ย, อยค่ะอาจารย์มันจะได้ดีโยมก็เลยมาใช้วิธีนั่งขัดสมาธิแทนก็คือทุกสิ่งทุกอย่างมันมันเบาค่ะ บนเบาแล้วก็ขึ้นเขารอบนี้คือทําใจไปแล้วว่าทั้งเขาอาจจะมีโยมคนเดียวแต่พอไปกับอินตันก็โอ้ทั้งเขามีแต่เราสองคนกับอินตันค่ะอาจารย์ก็ยื่นเดินจงกรมเดินจงกรมเสร็จพอตอนข้ามเปิดประตูออกมานะคะเหมือนวันที่ท้องฟ้ามืดแต่ดวงดาวเต็มฟ้าค่ะอาจารย์เพราะว่าแต่ละเรือนไฟสว่างหมดเลยค่ะอาจารย์รู้สึกว่าโอ้ผู้ที่มาตรงนี้คือทุกคนมุ่ง ม, มาสู่ความเพียรหมดเลยใจมันก็ฟูขึ้นมาค่ะอาจารย์รู้สึก ปิติปิติกับตรงนี้ค่ะที่ทุกคนมุ่งมา้ามุ่งหน้าขึ้นเขามาเพื่อบําเพ็ญภาวนาของตัวเองค่ะอาจารย์อืมแล้วก็โ<อ>ยมก็มีกําลังใจเห็นว่าอะไก็มีความเพลินล้วก็เลยมีกําลังใจใช่ใช่โยมก็เลยตัดสินใจว่าลุกขึ้นขังตัวเองอย่างที่บอกค่ะอย่างที่เรียนอาจารย์ไปว่าขังตัวเองปิดหน้าตา่างปิดอะไรหมดเลยค่ะรู้สึกแบบมันดีมากเลยค่ะแล้วก็ไม่น่าเชื่อ ว, ว่าห้องเล็กๆ็แค่นั้นมันมีความสุขได้ค่ะอาจารย์มันไม่มีความรู้สึกว่าอยากออกข้างนอกเลย จนกทั่งวันที่จะออกวันที่ยี่สิบเก้าจะต้องลงมาฟังธรรมก็รู้สึกว่ายังไม่อยากออกไปเลยค่ะอาจารย์รู้สึกว่าไม่น่าเชื่อว่ามันจะอยู่ได้ค่ะอาจารย์อืห้องห้องเลไรแค่นั้นแต่มันมีความสุขรู้สึกมีความสุขค่ะอาจารย์ยอมน้อมนําเอาธรรมที่อาจารย์สอนมาใช้ค่ะอาจารย์ลองใช้ยอมอสุภะามานานจนในที่สุดโยมก็ไม่พ้นยมต้องเอาอสุภะมาใช้จนได้ยมไม่ขี้ขลาดนะคะอาจารย์ ขี้ขลาดมากกลัวมากแต่วันนี้บอกเราเดินหน้าละเราไม่ไม่รู้เหลือเวลาเท่าไหร่เวลาข้างหน้าเราจะเหลือแค่ไหนเราเอาละขึ้นเขาคนเดียวก็ขึ้นแต่วันนั้นขึ้นแต่บังเอิญว่ามาเจออินตันโดยบังเอิญโดยที่ไม่รู้จักกันมาก่อนแล้วก็เข้ามาขอยืนใกล้ๆใส่เพื่อใส่าบาตรแล้วพอคุยไปคุยมาก็จะขึ้นเขาชีโอนยมก็เลยไปส่งเขาก่อนแล้วยมลงมาฟังธรรมค่ะอาจารย์อได้กัลยาณมิตรนะคะแล้วก็จากเขาห้องซูมนะคะอาจารย์ ทุกคนมีเมตตามีน้ำใจต่อกันหมดเลยค่ะเพราะได้ยินข่าวว่าโยมกินครัวตซอหมดอายุนะคะก็มีเอาอาหารอะไรมาฝากค่ะอาจารย์โยมขึ้นรอบนี้รอบนี้โยมไม่ไม่มีอาหารให้อดเลยค่ะเต็มที่แต่โยมก็ผ่อนอาหารค่ะโยมเอาแค่นิดเดียวโยมปวง่วงค่ะอาจารย์อเอาความเพียรเอาความสงบดีกว่าอาหารใจนาขันกาาระขันกาย ค่ะแต่ว่ามันก็มี ม, มันมันมีเอฟมันมีเอฟคือมันปวดท้องค่ะก่อนหน้านี้กินมื้อเดียวก็ไม่เป็นแต่รอบนี้คือน้อยลงอีค่ะน้อยลงกว่าเดิม <ง ün. S 2> มันก็เลยปวดท้องแต่โยมก็เลยใช้เอาเวลานั้นมามาพิจารณามันก็ได้ผลโดยที่เราไม่ต้องไปไปหาตรงไหนค่ะอาจารย์มันปวดแล้วมันก็เลยเออใช้เวลานี้วิกฤตให้เป็นโอกาสะ ค, ะค่ะมีมากนะทูตูค่ะอาจารย์ขอบพระคุณนะคะย่าท yeah, ไปที่ที่ห้อปพ้ยุ้ยลักซมเบอร์พวกนี้หวยออกอคะน้อุ้ยได้เบอร์ยังตานวัการวะจ๊ะดูจะมาเบอร์ในห้องนี้นองดูดิมีกี่คนดูซิมีกี่คนเข้ามานี่โออไม่รู้อะยังยังไม่ได้ การโยมเข้าวันหลโ ย, ยมก็ถือศีลแปดตรวจมนจเิญจิตภาวนาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโยมบอกกับพระอาจารย์ว่าโยมตั้งจิตจะตรวจธรรมจกมักรตรวจเมตตาใหญ่โยมก็ทำได้นะพระอาจารย์แต่ ม, มันมันมีสิ่งหนึ่งที่เข้ามาเป็นกิเลสมารที่เข้ามาจะมาขวาง แต่ทีนี้โยมนึกถึงคำพระอาจารย์และโยมนึกถึงว่าสัจจะเป็นสิ่งที่สําคัญถ้าโยมตั้งสัจจะกับพระพุทธเจ้าจะเดินทางทำโยมต้องทําไม่ได้คือคือมันมีผู้ชายอ่ะที่ที่โยมเคยอยู่กับเขาวันก็เข้ามาเหขียนอะไรอย่างเนี้ยที่ไม่ดีโยมก็เลยตอบว่าคุณต้องการอะไรเออฉันไม่ต้องการที่จบอะไรคุณก็คือใช้คําที่รุนแรงมากอะ่ะคือเรารู้ว่าเขาไม่ชอบแต่ว่าเราไม่ต้องการทําบา โยมก็ไม่รู้ว่าโยมทําผิดหรือเปล่าแต่โยมไม่ได้ทําร้ายจิตใจใครแต่โยมต้องการคือคนบางบางสิ่งบางอย่างเราไม่สามารถสอนเขาได้่ว่านี่บาปหรืออะไรเขาไม่ใช่คนเขาเป็นคนสลัครเขาไม่ใช่คนพุตและนี้โยมก็เลยตัดสินใจว่าต้องใช้คํารินแรงต้องตัดไฟแต่ต้นลมโยมก็เลยบอกเขาไปว่ายูไม่ต้องมาติดต่อฉะนะยูจะบล็อกเจออะไรก็เรื่องของอยูแล้วเพราะว่ายูมีชีวิตของอยูฉันมีชีวิตของฉัน ฉันอยู่อยู่กับลูกฉันได้ฉันก็ไม่ต้องการจะตอบอะไรกับยูเพราะว่ามันมันมันจะทําให้ใจเราอ่ะไปขุ่นตรงนั้นแล้วมันขุนอย่างเงี้ยอภาาิญญาโยมก็เลยตัดเลยเพราะโยมรู้ว่าอันนี้มันเป็นคือเขาเข้ามาเขาต้องการอะไรและเขามีครอบครัวแล้วเราไม่ต้องการทําบาปมันจะเป็นบาปกับโยมโยมก็เลยตัดโยมก็ไม่รู้ว่าโยมทําถูกหรือเปล่าอาจารย์แต่โยมคิดว่า สัจจะที่ยอมให้ไว้กับพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่ถูกต้องและยมก็ไม่ต้องการที่จะเดินไปในการยินชีวิตคู่หรืออะไรแล้วยมอยู่ตรงนี้ยมสบายแล้วยมมีเวลาสวดมนต์เป็นที่นั่งสมาธิคือเราไม่ต้องมีเยอะแต่ว่าเราใจมันสบายอ่ะพระอาจารย์อืมค่ะนี่พระาอะระาจารย์ว่า ย, ยมจะบาปไมมถ้า ย, ยมใช้ํำรุนแรงเนี่ยอ๋อไม่หรอว่าบางทีเขต้องให้แรงหน่อยเขาจะได้ไม่มามายุ่งกับเรา ใช่เพราะว่าคือมาเป็คนที่ว่าเราก็ไม่เข้าใจว่ามันจะตามมาถมาสอดรู้สอดเห็นอะไรและทีนี้มันการที่เขาทําอย่างเนี้ยเขาเป็นมิสัยล์จอยู่แล้วมันจะทําให้ตัวเขาบาปแต่ตัวเขาเองเขาไม่รู้แล้วเราก็ไม่มีที่ไปสอดเพราะฉะนั้นพอรู้ว่าสิ่งที่เขาทําเราก็ต้องหยุดเลยอ่ะยมก็อยากจะยมอธิบายให้พระอาจารย์ฟังได้อธิบายทบฟังไม่ได้เอ่อยมก็ไม่รู้ยมทำบาปป่เพราะยมใช้ํารุนแรงมาก ซึ่งทำให้เขาโกรธแล้วก็ไปเลยเพราะมันมันจะได้ไม่มายุ่งอะไรกับเราจะได้ไม่ทำด่าทาบาปกับผู้เขาไม่ทำบาอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่เป็นไรมันเป็นบางทีก็ต้องพูดแบบหนักหนักหนักแน่นให้มันรู้ว่าเอาจริงเอาจังไม่ใช่พูดเล่นๆที่เหลือโยมก็ไม่มีอะไรโยมก็โ <c oughs> ยมก็สบายโยมก็เอาชนะกิเลส ข, ของในใจของโยมได้ โยมก็ไม่รู้สึกว่าโกรธไม่รู้สึกสะเทือนนะแล้วไม่รู้สึกค่ะมันนิ่งอ่ะมันมันมันไม่รู้สึกอะไรมันมันจะโกรธหรอมันจะบอกหรออะไรเรารู้สึกเฉยเมื่อถ้าเป็นสมัยก่อนเราก็ต้องร้องไห้ภูมิไปใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้รู้สึกเฉยเฉยล้รู้สึกโชคดีแล้วเราเราก็เลยบอกพระเจ้าว่าฉันรู้สึกโชคดีเพราะโยมคิดถึงคำที่พระอาจารย์สอนว่าต้องมีสติ ต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาและและขจัดในสิ่งสําคัญโยมก็เลยไม่ลืมคํานี้นอ่ะโอเคดีมากจ้ะแต่แต่อยากริยาที่นี้หัวยออกนะคะอาจารย์อืไหวได้นำใจหมาย <c oughs> ตัวนี้ น, นอนหลับฝันค่อยค่อยจำได้ค่อยดีนะคืนนี้จะฝันได้อะไรบ้างนี่มาแล้วอาจารย์อืได้มาแล้วเลยโอเคเจอรถอะเจอรถเลยเอาเลยเ ขอขอนียาตจริงๆเพรโยมไม่ได้ไปทำอะไรหรอกโยมเอาเอาไปทำบุญหมดเลยดีดีสาธเอจ้าจริงจ้าเ ล, <ห>เล่นสนุกนสนุกนะยะเล่นสนุกสนุกเป็นสนุกสนุกโย ม, ไ, มได้เล่นเล่นจนหมดบุญเอาไปเอาตายกันมันนะ <c oughs> เราอยู่คนเดียวแล้วเราสนุกสนาน<ห>ได้มาเราก็ คือจะให้โยมไปคิดแบบเอเป็นนิเป็นสิ่งอะไรโยมไม่เอาอะค่ะโยมตัวโยมงานพระอาจารยโยมก็ตั้งจิตตั้งใจว่าโยมจะทําได้ให้ครบพรรษาจะสวดเอธรรมจักรให้ได้เพราะเโยมคิดว่าเวลาที่เราสวดธรรมจักรในใจมันนิ่งค<ม>่ะเดียิ่งสวดมากเท่าไหร่ยิ่งนิ่งมากขึ้นด้วยยิ่งทำ ม, มายิ่งนิ่งมากนะ สตินะสติการส่วนนนี้ก็เป็นการฝึกสติใช่ไโยมมามีปัญหาอยู่ข้อเดียวพระอาจารย์คือโยมบอกพระพุทธเจ้าให้คอหัวโยมหน่อยให้โยมตื่นตอนตีสามตีสามคึ่งคือทุกทีเลยพระอาจารย์โยมตื่นมาแล้วอ่ะมันเป็นอะไรไม่รู้อ่ะมันมันเหมือนกับมีผีมาเข้าโยมหรืออะไรโยมจะหลับตลอดเวลาเลยอ่ะพระอาจารย์มันหรือตัวขี้เกียจโยมมันเยอะอ่ะ ก็ต้อง พ, พอถึงนขึ้นมาก็พุทโธพุทโธไปเลยไล่ผีได้ทุกอย่างออกไปได้อืแต่โยมก็เอท่องพระคาถาอะไรนะเอ่จาจับพระอะและ้วยมก็ท่องพระคาถาแล้วยอมมันเหมือนอะไรทุกนูอ ย, อยู่ในโอสมองวุ้ยนอนอีกแต่แต่โยมก็โยมก็เอนั่งสมาธิอะตื่นขึ้นมาก็รีบนั it, ่งสมาธิตอเลยแล้วยมกลัวโยมจะแบบว่า บาปจาไงว่าเอ่อโยมก็รีดแบบอาบน้ํานั่งสมาธิจต่ออย่างเงี้ยนะกตรวจมวลแต่โยมไม่ขาดนะแต่ว่าเสียอย่างเดียวเพระว่าโยมตั้งจิตว่าโยมจะทําให้ได้ตอนตีสามคึ่งเพราะมันมันสงบในตอนนั้นนะ่ะอืมทุกทีเลยโยมโยมทำได้แค่วันเดียวเองมากที่ที่แล้วอ่ะแต่โยมพยายามค่ะโยมจะพยายามจะเพียนค่ะจะเพียนพยายามให้มากขึ้นค่ะอาจารย์ โอเค <Okay. S 2> สาธุขอให้สำเร็จตามที่ปรารถนานะพระอาจารย์ขอให้พระอาจารย์พระรยแข็งแรงค่ ะ, อะขอคุณผู้สุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวนานถูกยทั้งวันะขอบพระคุณค่ะอาจารย์โอเคสาธุปที่กระูกตาต่อคุณล้กตานมีอะไรไหมคุณล้กตาน อาจารย์ครับอาจารย์ไม่มีคําถามค่ะเข้ามาลงฟังธรรมค่ะอืมเป็นไปที่คุณคุณนัด ก, กับคุณตาเนี่ยฮะเชิญกลับนมัสการพระอาจารย์ก<อ>ับนมัสการ<อ>ครับอาจารย์ครับเขมามากราพระอาจารย์แล้วก็เข้ามารายงานตัวค่ะค่ะอืจมีอะไรไหมก็ยังปฏิบัติ พยายามทานสีนภาวนาอยู่อย่างต่อนเนื่องค่ะพระอาจารย์แต่มันจะหนักไปทงทานกับสีภาวนาก็พยายามปุกเจริญสติอย่างที่พระอาจารย์แนะนำในระหว่างวัน่ะคะทานสารนี่มีเพิ่มอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าแทนใจดำเลยก็ก็ ของผมก็ตั้งตั้งตั้งใจจะพยายามมีสติในแต่ละวันให้ให้มากขึ้นครับอาจารย์แต่ไม่มไม่อยากว่าเป็นคําสัญญาเดี๋ยวกลัว<ม>จะผิดกคำมุ่งแต่พยายามว่าก็จะภาวนาทําสมาธิอย่างเนี้ยค่ะเพราะที่ผ่านมาก็คือพยายามตั้งใจว่าจะทําทุกวันแต่คือบางวันก็อาจจะมีแบบไม่ได้ทําเลยบ้างค่ะแต่ว่าพยายามมีสติระหว่างวันทำนี้ก็เดี๋ยวจะพยายามทําสมาธิให้ได้ทุกวันค่ะพระอาจารย์ ได้ลองทนลองดูลองทำไปก่อนเลยที่ไม่ต้องตั้งสัจจะดูถ้าทำได้ต่อไปค่อยมาตั้งสัจจะที่หนังก็ได้ครับค่ะพระอาจารย์ครับขอให้พระอาจารย์ทัดขันแข็งแรงครับขอบคุณครับคุณชัยชนิตคุณหน่อหไปหลายอาทิตย์แล้วนะไม่เข้ามาเลย กรับนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะได้ยินเสียงชัดไหมเจ้าค่ะชัดแจ๋วเลยค่ะอ่าเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาหน่อยไปฟังธรรมนักกุฏิด้วยนะเจ้าค่ะอ่าก็พบกันที่ที่ที่ที่ททนัากุฏิใช่ไหมหมอไม่ใส่บานรด้วยไม่ได้ใสบ่บาไม่ได้เจอกันตอนเช้าใช่ไหมไม่ได้เจ้ตอนเช้าเจ้าค่ะอพอดีเป็นวันขอบขอบคุ่น ขอบคุณพระอาจารย์มากนะเจ้าค่ะที่พระอาจารย์เอเวอร์คอมันเกิดอ๋อจริงไมหมมาเกิดอย่างี้ใช่ไหมเจ้าค่ะอืมจะเดินตามรอยพระอาจารย์ให้ได้เลยเจ้าค่ะแต่ว่า อ, อายมากเลยอะ่ะถือได้แค่ศีลห้าเองช่วงนี้ห <laughs> นึ่งสู่ความอยากไม่ได้เจ้าค่ะกินอิ่มนอนหลับกิเลสหนักมากเลยคะ่ะตื่นมามก็หิวเลยค่ะพระอาจารย์ไม่ยา คิดถึงปฏิกูลเน่าอาหารปฏิกูลนะเจ้าค่ะอย่าไอยคิดถึงอาหารในจารย์คิดถึงอาหารในปากในท้องหรือมั้เจ้าค่ะก็เห็นนะเจ้าค่ะก็พยายามคิดอย่างที่พระอาจารย์บอกกต่มันไหนก็งงว่าทําไมเราไม่รังเกียจแต่มีสิ่งหนึ่งที่ไหนกล้ามก้าวผ้านก้าวข้ามความทุกข์นี้ไม่ได้เจ้าค่ะพอดี ไหนเห็นพวกหมาแมวอ่ะเจ้าคะ่ะที่แบบว่าโดนทําร้ายโดนแบบคนอื่นใจร้ายทําร้ายแล้วทีเนี้ยไหนเห็นแล้วแบบคือด้วยตัวไหนเองอะ่ะในเลี้ยงแมวอยู่แล้วแล้วทีเนี้ยด้วยเลี้ยงแมวจร อ, อะเจ้าคะ่ะแล้วทีเนี้ยไหนในผ่านตรงนี้ไม่ได้เจ้าคะ่ะพระอาจารย์ไหนขอทำมาตรงนี้ไหนได้ไหมเจ้าคะ่ะได้พระเจ้าบอกให้พิจารณาว่าสัตว์ตั้งหลายมีมูลมีกรรมเป็นของของตน จะทํากรรมมันได้ไว้ก็ต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นไปเขาคงจะได้ทำบาปทํากรรมมาชาตินี้ก็เลยต้องมารับผลผลบาปกรรมของเขาเราทําอะไรไม่ได้เราจะรับได้ไหมทุกคนมีบาปมีบุญติดตัวมาคนที่มีบุญมาเกิดก็มาสบายคนที่มีบาปติดมาก็ต้องมาจากกรรมมีบาปกรรมของตนะ เจ้าค่ะแล้วออนเงินไปช่วยแล้วมานั่งคิดว่าเอ๊ะเขาจะเอาไปช่วยจริงหรือเปล่าอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็อย่าไปคิดเลยต้องเชื่อต้องมีศรัทธาถ้าไม่เชื่อก็อย่าออนไปถ้าโอนเงินแสดงเราต้องเชื่อเชื่อว่าเขาต้องถ้าไม่ถ้าไม่เชื่อก็อย่าโอนไปไ ป, ไปเองแล้วก็เอาเอาเอาหารไปเลิ้เองเจ้าค่ะเจ้าค่ะ บทีมันก็นพูดยากเวราเราไม่รู้ยังไหมว่าเขาเขาพูดอย่างก็ อ, อาจจะทปอย่างหนึง่งใช่เจ้าค่ะแต่ถ้าเราไม่ทําเลยเราก็เราก็เลยไม่ได้ช่วยเขาเราคิดเสียงเอาว่าห้าสิบห้าสิบเราก็พูดตามๆทำตามที่เขาพูดก็ก็จะได้ช่วยเหลือกันไปถ้าเขาเอาไปทำอะไงก็ถือว่าเป็นกรรมของสัตว์อย่างไปเจ้าค่ะกราบขอบคุณพระอาจารย์ ค่ะทำได้ก็ทำไปนะส่วนจะถึงพวกมือผู้รับหรือไม่ก็แล้วแต่บุญกรรมของเขาแล้วกันเจ้าค่ะถ้าจะตั้งใจปฏิบัติเจ้าค่ะจะได้ก้าวข้ามความทุกข์พวกนี้ไปได้เจ้าค่ะโอเคฝึกสตินะสมาธิบ่อยๆเจ้าค่ะตอนนี้กำลงังฝึกสติเอ่อขออีกนิดหนึง่งเจ้าค่ะพระอาจารย์คือเหมือนที่พระอาจารย์บอกเลยค่ะสติเราต้องตั้งแต่แต่ก่อนที่พระอาจารย์บอกว่า สติคือตอนแรกไหนมองว่าเอ๊ะมันไม่ยากมันน่าจะทําได้แต่หลังๆมาเริ่มเริ่มแบบว่ารู้สึกว่ารู้สึกตัวว่ามีสติมากขึ้นก็กลายเป็นคนพูดน้อยลงแล้วก็แบบบางทีลืมสิ่งที่ตัวเองจะพูดก็เงียบไปเลยอย่างเงี้ยแล้วก็ฝึกสติอยู่กับลมหายใจเจ้าค่ะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ได้มาทั้งหมดไม่ได้ได้ทั้งวันแต่ว่าก็ก็ก็มีบ้างเจ้าค่ะที่มันหลุด แต่ว่าก็พยายามดึงกลับมาอยู่กับปัจจุบันเจ้าค่ะแต่ก็ยากยากมากเจ้าค่ะแต่ว่าก็ร่มรูลล้โครงกานไปก่อนเจ้าค่ะแต่ก็จะไม่หยุดเจ้าค่ะเพราะว่าชีวิตนี้มันทุกข์เหลือเกินเจ้าค่ะดีสาธุไม่มีอะไรแล้วเจ้าค่ะกับคุณพระอ า, <พ>าจารย์มาพยายามพยายามอย่างนี้นะความสาเร็จอย่างนั้นนะของคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะอืมไปที่คุณสรุรชัยคุณเสรุรชัย มาจากที่ไหนเอ่ยกรุงเทพครับมีอะไรไหมกรรมสการครับอ่ผมผมขอความเมตตาอาจารย์ครับผมมือใหม่หัดนั่งสมาธิแล้วก็อ่นั่งพยายามนั่งให้ได้ทุกวันเวลานั่งแล้วอะ่ะมันสักพักหนึ่งมันจะหลับแล้วก็เวลาเวลาเราดูลมหายใจอะ่ะ มันไม่เหมือนกับเรานั่งแล้วเรารู้สึกว่าเรานั่งหรือว่าเราขยับตัวแล้วเรารู้สึกว่าขยับตัวมันมันมันจะเหมือนกับการบังคับให้หายใจเข้าหายใจออกอย่างนี้นะครับมันมีวิธีแก้หรือว่ามีมีคําแนะนําอะไรไหมครับเราไม่ต้องไปบังคับลงเหมนตอนนี้เราก็ไม่ได้บังคับลงใช่ไหมแต่แต่เวลาเราเป็นนึกถึงปุ๊บมันจะแบบมันจะมันจะเหมือนเราบังคับเลยอ่าดูเฉยๆไม่ได้นะ๋วมันดูให้เธอไม่ได้ครับใช่พอเวลานึกถึงปุ๊บมันจะหายใจขับเลย ก็ลองทำมันไปก่อนดูแล้วเดี๋ยวท่าพักมันอาจจะปล่อยก็ได้ครับก็ให้มีสติอยู่กับลมก็แล้วกันให้รู้อยู่กับลมไปคผมจะบังคับมันไม่บังคับมันตอนตอนแางๆนี้ก็คงไม่เป็นประัญหนสาคัญต่อไปพอหนึงไปท่าพักหรยวพอมีสติมากขึ้นมันก็อาจจะปล่อยให้มันหายใจเองก็ได้โอก็ทําไปเรื่อยๆถ้ามันไม่เป็นอุปสรรควเป้าหมายก็คือให้เรามีอะไรทําเพื่อใจเราจะได้ไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เท่าเอง อย่างนี้สวดบอลแทนแล้วก็นึกถึงบทสวดเฉยๆอย่างนี้ได้เหมือนกันนะครับก็ได้ก็ได้กับไม่ต้องนนึกถึงว่าจิตใจไปอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องนึกเลยไม่ต้องนึกสวดบอลไปวริกรรมพุทโธไปก็ได้แล้วเวลาเรานึกพุทโธแล้วบางทีสมองมันไปคิดอย่างอื่นอย่างเงี้ยมันก็ไปมันอย่าไปสนใจให้ติดอยู่กับกอดติดอยู่กับพุทโธไปเรื่อยๆอ๋อมันทําได้ทั้งวันนะครับผมพยายามลองทําดูแล้วมันแต่ว่าพอเวลาเราไม่ไปคิดมันยังมันชอบไหนไปคิดเรื่องนี้อยู่ แล้วก็พุโทโธเราไปเรื่อยๆต่อไปพุโทโธเรามีกําลังมากขึ้นมันก็จะไปไปน้อยลงไปต่อไปมันก็ไม่ไปเลยอื <c oughs> แล้วไอ้เวลามันหลับนี่จะจะแก้ยังไงครับนั่งแล้วมันหลับก็อย่าไปอย่าไปนั่งตอนที่กินข้าวอิ่มนะอต้องว่ากินช้าวอินนะ่มแล้วหนังตาหนังท้องมันจะตึงหนังตามันได้หย่อนถ้าถือศีลแปดได้ยิ่งดีตันเย็นจะได้นั่งสบายที่ได้สบาย แต่ถ้ามานกินข้าวย็นแล้มันั่งสมาธิหลังจากกินข้าเย็นมันก็จะหลับจะหลับใช่โอเคแต่ครับขอบคุณมากครับอาจารย์คุณคุณน้องลูกเหรอใช่ไหมน้องลูกก็ป่าอ่านดวงก็ป่ายอมน้องอ่าพูดได้เลยเชิญรย์กานที่พระอาจารย์เออยู่ที่ไหนอยู่แปดดิวค่ะพระอาจารย์ Mm hmm. เป็นพาลศการบำนาญเกษียอายุเมื่อกันยาปีที่แล้วและประสังเป้าว่าะจะเลือกทางสุดท้ายของชีวิตเนี่ยก็คือทางธรรมก็ได้ฟังอาจารย์ตั้งแต่วันที่เกษียอายุเลยตั้งแต่วันที่หนึ่งตุลามาตลอดแล้วก็ปฏิบัติคราวนี้เนี่ยก็คือไป ไปเข้าปรรมาฐานจะเข้าคอสกรรมาฐานอย่างที่พระ อ, อาจารย์ว่าแต่ก่อนที่จะไปเข้าเนี่ยก็พระ อ, อาจารย์บอกว่าให้พาวนาะพุทโธตั้งแต่เช้าพอไปเข้าเนี่ยทั้งแรกใน9้าวันเมื่อปิดแล้วเดือมพฤะสีกาเนี่ยสี่วันแรกเนี่ยก็จะมีอาการทุกอย่างแต่พอหลังจากนั้นนอลูกมันก็ไปได้แล้วพอเจเดือนอาจารย์ไม่ใช่เจ็ดปีค่ะสำหรับตัวศิษย์เองเนี่ยใช้เวลาเจ็เดือนถึงจะเข้าสมาธิได้ พอเข้าสมาธิได้ก็คือดึียกคำว่าพุโทโธพอพุโทโธไปพุมันก็จะหายไปหรือเตะลมหายใจและหลังจากไหนเนี่ยมันก็ไปไม่เป็นก็เลยไปเข้าคอร์สเป็นครั้งหนึ่งที่วัดมิเหยงเ อ, อทางท่านพระอาจารย์สุสักก็เลยบอกว่าให้เข้าวิปัจนาเ อ, อให้ดูลมหายใจแล้วก็วางเฉยซึ่งออตอนตอนที่ ก็หลังจากนั้นนะ่ะลองสามวันก็เห็นอุปทานว่ามาเป็นชุดแต่พุทธทาสหลวงปู่ม่นหลวงปู่แหวนอา่าหลวงตามหาบัวจนถึงพระอาจารย์แล้วมันก็เลยเข้าอา่วิปัสสนาได้ก็คืออารมณ์เนี่ยจะเฉยจะพิจารณาตัวเองแล้วก็เฉย แต่ตอนนี้ติดปัญหาว่าพอเฉยปุ๊บ ก, ก็เริ่มที่จะพิจารณาอาการสองสองประการของของตัวเองอันนี้เนี่ยเสิ่งที่ได้เนี่ยก็ต้องกราบยิ่งยิ่งเลยที่เป็นพระอาจารย์เนี่ยสอนชี้แนะเส่วนหนึ่งเนี่ยได้ฟังจากธรรมแล้วก็ได้อ่านจากหนังสือของหลวงตามาหาบัวเอก็จะพยายามต่อไปแต่ตอนนี้เสิทธิ์เนี่ยจะมีปัญหาอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือว่าเวลาฟังธรรมเนี่ย หลับตาปุ๊บมันกลายเป็นว่าตัวเองเนี่ยเข้าไปสู่สมาธิแล้วไปวิปัสนาใจอ่ะมันไม่ได้อยู่กับธรรมที่ฟังค่ะอาจารย์จะแก้ไขยังไงไม่ต้องแก้ไขแล้วถ้ามันเข้าสมาธิได้ก็ดีให้มันเข้าไปเลยให้สังการ น, นั่งนั่งฟังธรรมเป็นเป็นเหตุพาให้เราเข้าสมาธิได้ก็ดีแล้วตอนนี้เนี่ยปัญญาที่เกิดขึ้นเนี่ย ก็มาใช้กับชีวิตประจำวันก็คือวางเฉยกับตัวเองได้แล้วแล้วก็โชคดีว่ า, าสามีก็เป็นคนที่ปฏิบัติธรรมและลูกนี่ก็ไม่มีปัญหาคือไม่มีห่วงอะไรสักอย่างหนึ่งก็เลยเลือกที่จะตั้งเป้าว่าปีหน้าเนี่ยจะบวชชีเพราะว่าแต่คราวนี้เลือกว่าอยู่ตอนแรกเนี่ย จะไปเข้าโครงการของพระอาจารย์ที่วัดแสงทำแต่เพออิญว่าติดวันต้องไปหาหมออาจารย์เลยไม่ยอมไม่เข้าค่ะก็สิบเพลงเนี่ยก็ใช้ภาวนาพูดโทรตั้งแต่เช้านี้ได้ผลจริงๆเลยค่ะแล้วเวลานั่งปกก็ไม่มีปมัญหาก็เข้าได้ตลอดค่ะต้องกราบขอบพระคุณมากพระอาจารย์ที่พระอาจารย์ชี้แนะทางทำให้กับสิบค่ะดีใจด้วยที่ได้พบทางวัดแนง ใขขห้ากอบความสงบก็พยายามรักษาใจน้อยสงบ ด, ด้วยสติด้วยปัญญาสองตัวนี้นะแล้วคักหน้าสิทถ้ามีปัญหาอะไรจะเข้ามากราบเรียนให้พระอาจารย์ชี้แนะอีกรอบหนึ่ง น, นะคะได้อาจารย์ยินดีเสมาเข้ามาได้ทุกวันพูดเลยนะอะนะขอคุณค่ะอาสหวังว่าคุณจะได้พบที่บวชนะวันหลังจะได้มาเล่าให้ฟังว่าไปบวชที่ไหนกัน อ่าแต่ตั้งเป้าไว้แล้วว่าจะต้องเป็นสายหลวงตามมหาบัว <Okay. S 2> อ่อก็เลือกวัดแต่อเผอิญว่าแปลกหรือไม่มีวัดที่เป็นซองตามมหาบัวอืมตาม่าลองค้นหาดูนะจะักห่งจักห่างหาดูหาดูอกีกนิดหนึ่งพระอาจารย์จะเล่าให้ฟังนะคะว่าตัวโยมอ่ะเอเป็นโรคหน้ากระตุกครึ่งซี่ซี่ขวามือเนี่ยเอ่าเสร็จแล้วเนี่ยการนั่งสมาธิเนี่ย มันช่วยได้มากเลยกับการที่มีปัญหาในเรื่องของอาการที่เกี่ยวข้องกับเส้นประสาทเอ่อ<ม>ตอนนี้เนี่ยก็หาเลยหมอว่าหมอก็ถามว่าเอ๊ะทาไมหนะ้าต้นหลังไม่เห็นมีปัญหาเรื่องของแปรงกระตุก บ, บอกว่าใช้วิธี อ, อการเข้าสมาธิเวลาหน้ากระตุกก็พูดโทแล้วก็หายเสยลึกๆอาการนั้นก็หายไปแล้วก็ทําให้นั่งได้ตลอดเลยเจ้าค่ะก็เด ธรมะบางทีก็ใช้รักษาบางโรคของร่างกายได้ใช่ค่ะเพราะไม่ทะลุโดยเฉพาะโรคของความเครียดก็ทางพระอาจารย์ที่พระพ เ, เหยงท่านจะแนะนำบอกว่าถ้านั่งสมาธิเออถ้าเข้ากรรมฐานวิ่งดิวิปัสสนาแล้วปวดหวัวแสดงว่าเป็นการปฏิบัติที่ผิดลองถอยออกมาใหม่ก่อนแล้วเข้าหมามม ต, ตรงนี้ก็หายได้ถัดอาทิตย์น้ก็ กาึงจะเป็นโอเคยินดีอ่าที่ไปที่น้องแม่น้องหินกลับมาใหม่น ะ, ะเช่นพระอาจารย์คะได้ยินหนูไหมคะได้ยินชัดเจนวันนี้ดีขึ้นแล้วนี่อ๋อเมื่อกี้ขึ้นหายเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็เลยย้ายที่ไม่นะต่อค่ะแม่คะ่ะคนคนคนที่ปล่อยเน็ตเขาไม่อยู่คะ่ะเขาถือเน็ตไปด้วยก็เลยติดระบบ ค่ะพระอาจารย์พอดีเขามาก็เลยใช้ได้ต่อเจ้าค่ะพระอาจารย์ mm hmm. พระอาจารย์คะ mm hmm. หนูก็อ๋อเรื่องการปฏิบัติใช่ไหมคะพอดีหนูเห็นว่าอตอนนี้อยู่ยังทํางานเป็นพยาบาลอยู่อะคะ่ะพระอาจารย์ทีนี้หนูก็ปฏิบัติแล้วหนูก็ลองมาพิสูจน์ใจเกี่ยวกับการลดน้ําหนักอะคะ่ะพระอาจารย์แต่ก่อนหนูกินกินกินแล้วหนูก็ขยายเร็วมากเปลี่ยนไซส์จาก เอเป็นอค่ะค่ะน้ำหนักเพิ่มจนถึงเจ็สิบกิโลค่ะพระอาจารย์พอหนูม า, าลุยปฏิบัติรู้สึกว่าน้ำหนักจากเจ็สิบกิโลลดลงมาเหลือห้าสิบแปดห้าสิบเก้าในปัจจุบันเนี้ค่ะพระอาจารย์เพราะว่าทานอาหารมันลดความอยากได้อ่ะค่ะพระอาจารย์หนูก็เลยมองว่าโอจริงๆแล้วก็จากใจเนี่ยค่ะพระอาจารย์ที่กินกินแล้วมันไม่มีความเห็นอะไรก็อร่อยอ่ะค่ะพระอาจารย์ หนูก็เลยว่างั้นปัจจุบันหนูก็เลยมาทดสอบสภาวะความอยากเนี่ยค่ะพระอาจารย์ก็เลยหนูก็เห็นว่าอุณน้ำหนักมันลงได้เร็วแต่ว่ามันอาจจะใช้ระยะเวลาที่ไม่ได้กระทันหันรวดเร็วอย่างนี้ค่ะให้น้ําหนักลดวันต่อวันแต่ว่าค่าของน้ําหนักมันก็เหมือนถาวรนะคะพระอาจารย์มันรักษาระดับได้ ค่ะแต่ว่าใช้ระยะเวลานานที่ว่าจะไปกินยาลดน้ําหนักอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ mm hmm. หนูก็เลยโอ้มันเป็นของดีของการปฏิบัติถ้าใจลดความอยากได้ก็น้ําหนักก็จะดีเลยค่ะพระอาจารย์แล้วก็การปรับขนาดก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ค่ะพระอาจารย์เพราะว่าหนูจากไซส์ S กลายเป็น XL อย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์จนจริงจริงสิบแตกเลยค่ะหนูก็เลยว่าโอ้มันทําให้แบบ กินไม่หยุดเลยค่ะพระอาจารย์แต่ก่อนนะค่ะจากความอยากอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยว่าเป็นของดีมากเลยค่ะพระอาจารย์ลดความอยากได้เยนยคะ่ะพระอาจารย์ความอยากมันทําให้เราหิวเพราะไม่อยากมันก็อิ่มนัม้นฝึกสมาธิฝึกสมาธิก็จะทําให้ความอยากลดน้อยลองอืแล้วถ้าพิจารณาปฏิกรูนได้ยิงย่งยิ่งจะหาอยากเลยพิจารณาปฏิกรูนของอาหารบ้างนะ อยูสภาพที่มันเข้าไปในร่างกายแล้วออกมาเป็นยังไงเจ้าค่ะพะอาจารย์ะอาจารย์ะแต่ก่อนหนูอะเวลานอนหนูฝันแต่อุจจาระเลยคะ่ะหนูก็เลยบอกว่าโอ้ทำไมทุกวันหนูฝันแต่อุจจาระก็ห้องน้ำหรือว่าจะให้หนูคิดเกี่ยวกับการผลิตชักโคกอย่างเงี้ยคะ่ะแต่พอเอามาพิจารณาทางทางสงสัยเกี่ยวกับพิจารณาสิ่ง ของไม่อร่อยหรือเปล่าอะค่ะในความฝันแต่ก่อนหนูชอบฝันเห็นอุจจาระตลอดเลยค่ะพระอาจารย์แต่ปัจจุบันความฝันนุหายไปเลยค่ ะ, ะต้อามาใช้ตอนนี่หิวตอนที่อยากจะกิ น, นค่ะอาจารย์หนูก็เลยว่าอกของดีค่ะพอาจารย์สาธุค่ะไปที่คุณยุตนาตาคุณยุตนาเชิญโอ้ตม อ่าไปด้ยังยังไม่ได้ไปโ okay. อเคเคยเคยเข้ามาครั้งหนึ่งแะครับเมื่อตอนต้นปีนะครับแล้วก็มาอ่ปรึกษาอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องที่ทำงานครับก็ได้รับคำแนะนำจากอาจารย์ไปนะครับตอนนั้ น, นคือเหมือนเรามีปัญหากับไม่เช่งมีปัญหาแต่คือเหมือน เราทํางานไม่เข้ากับหัวหน้างานแล้วแล้วตอนนั้นก็รู้สึกว่าเออยากจังแล้วเราสวดมนต์แผ่เมตตาเขาแล้วพระอาจารย์เขแนะนําว่าแผ่เมตตาให้เขาเนี่ย เ, ออเขาไม่รู้หรอกสุดท้ายแล้วอะพระอาจารย์ก็แนะนําว่า อ, อให้เรามีความเมตตาให้เขานะครับวันนี้ก็เลยมาส่งกันบ้านหลังจากวันนั้นที่อาจารย์พระอาจารย์แนะนําสั่งสอนไปนะครับก็ประมาณหกเดือนแล้วครับ ปัจจุบันก็คนหน้า ง, งานเปลี่ยนไปครับเพราะว่าเออ่เหมือนตอนนี้เราเริ่มมีความเมตตาเขาด้วยแล้วก็สงสารเขาด้วยในเรื่องที่เขาต้องแบบรับภาระความรับผิดชอบเออ่ในในงานที่มากกว่าเราแล้วก็หลังจากที่เราเริ่มเปิดใจให้เขาอะครับตอนนี้เหมือนเขาก็มีฟีดแบ็ที่ดีให้กับเรามา แล้วก็รวมถึงไว้ใจเรามากขึ้นเ อ, อมอบหมายงานที่เออ่ในงานทีนอื่นๆนะครับให้เราทําเนี่ยครับก็เลยมาสบกันบ้านว่าหลักจากที่เรามองเขาแบบนึงแล้วพอเรามีความเมตตากับหัวหน้างาน<ม>การทํางานก็เปลี่ยนไปแล้วก็เราก็เปลี่ยนไปด้วยครับอาจารย์เมตตาเป็นชนะใจผู้อื่นได้ด้วยความเมตตาใช่ครับ ตอนตอนนี้ก็ดีขึ้นเลยครับที่ทํางานเวลามีการประชุมกันเขาก็เอ็นดูเรามากขึ้นแล้วก็พูดคุยมีการพูดคุยหยอกล้อกันมากขึ้นทั้งๆที่เขาเป็นผู้ใหญ่ที่มากๆครับอาจารย์ครับวันนี้ก็เลยมาส่งกันบ้านครับพยายามใช้เมตตากับทุกคนพนระอาจารยสอนสัพเพสัตตาครับอืมดีมากยินดีด้วยครับขอบคุณครับอาจารย์อ่าดู อ่าคุณปานรัตเชินคุณปานรัตอยู่ที่ไหนเออพูดได้นะกานพูดได้เลยไม่เสียงไม่เข้าเปิดไม้แล้วแต่เสียงไม่เข้ามีปัญหาทงหางไม้วะ <c oughs> ใช้ใช้หูฟังหรือว่าถ้าใช้ฟังลองถอดออกดูนะ ยังไม่เข้าบาง ท, ทีมันมีปัญหาตอนที่เข้ามา ม, มันจะถามว่าให้ใช้ใช้ไมตัวไหนเราต้องกดต่อ <c oughs> มันจะต้องลองกลับเข้ามาใหม่นะคุณเป็นปาญนาลัตแนะไปที่คนคนหาอชุดตาเสน่ก่อน <c oughs> ไม่มีคำถามเจ้าค่ะท่านอาจารย์เข้ามาร่วมรับบังคับเจ้าค่ะโอเคคุณปบาร์นารนน์ดจะเอาใหม่ไหมคยจะต้องออกไปแล้วกลับเข้ามาใหม่หรือเปล่าไหมจ้าเสียงมันไม่เข้าโอเคเป็น ป, นประนทศคนตอนเซล์มอเรกนัน กลับมาสักการเจ้าค่ะพระอาจารย์ลกไม่ได้ชอมาช่วงนี้งานเยอะเจ้าค่ะก็เลยเหนื่อยร่างกายเหนื่อยเข้าไม่ได้แต่ก็ปฏิบัติอยู่เจ้าค่ะปฏิบัติอยู่อย่างเสมเสมอมีพูดถึงเรื่องความเมตตาก็มีเรื่องความเมตตามันภัยมาสูต่ตนเจ้าคะพระอาจารย์คือความเมตตาผมมันทําให้มีอ่าเพื่อนร่วมงานในรานนะคะเขาก็ อ uh, อายุน้อยกว่าเราแต่เขาก็จะมองความเมตตาของเราเป็นเป็นอีกด้านหนึ่งะคะ่ะก็ต้องก็ต้องต้องดูเหตุการณ์ล้วคนจะใช้อะไรเด้ค่ะคือล่าสุดเนมะื่อวันก่อนนี่ถึงขั้นปิดร้านแล้วแล้วก็เขากลับบ้านไปแล้วเข้าถึงขั้นมาเคาะเคาะประตูหน้าร้านเพื่อที่จะเข้ามาคุยกับเราปกติเนี่ยหนูก็จะเคลียร์ได้จะพยายามอธิบายบ้างถ้าเขาเดินเข้ามา แต่วันเมื่อวันก่อนมันถึงขั้นหนักมากหนูก็เลยต้องโทรแจ้งพ่อครัวในร้านว่าหนูรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยแต่ว่าหนูก็ตั้งตะติยียะแล้วก็เขาก็พยายามโทรเข้ามาหนูก็เลยอธิบายไปพอประมาณค่ะไม่ไม่ไม่ได้สร้างสัจจุลแต่ว่าเหมือนเขาจะไม่หยุดลูกก็เลยเออเอาไง ใช่อเบกขาใช่อเบกขาไปใช้ก็เฉยๆไปลูกก็เลยถึงขั้นว่าอะถ้ามีเวรมีกรรมก็ใช้เข้าไปแต่ว่าถ้าอะไรเลี่ยงได้ใช้ปัญญาก็ก็ใช้มันไปอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ควนใจอยู่พักหนึ่งไม่ไม่กี่ชั่วโมงแล้วลูกก็กลับมาอ่าอยู่อยู่กับตัวว่าเออเราปฏิบัติของเราแต่ว่าคือเขาเขาก็ เข้าใจว่าความเมตตาของเราเป็นเป็นในแบบชู้สาวซึ่งมันไม่ใช่เราก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะคะก็พยายามแก้ปัญหามาเรื่อยๆเรื่ อ, อจน mm hmm. ถึงขั้นว่าพ่อบ้านสามีหนูเนี่ยคือเขาบอกว่าให้ออกจากงานแล้วรู้ก็ไม่สามารถทิ้งหน้าที่ได้ในทันทีก็ต้องรอจนกว่าเขาจะพร้อมมีคนใหม่เข้ามานะคะ mm hmm. แต่เราก็ ปฏิบัติของเราไปเรื่อยๆพอมันหนักๆเข้าถึงเข้าถึงขั้นก็เอาหนังสือธรรมะให้เขาอ่านนะบอกอันนี้นะประดินเอาธรรมะอ่านหนังสือธรรมะที่เป็นภาพภาษาอังกฤษมาไว้ที่ร้านด้วยนะคะแล้วก็ก็ก็กวนใจอยู่อันนี้คือแบบเอออย่างอื่นมันได้แต่ทำไมเรื่องนี้มันรู้สึกว่าเรารู้สึกรู้สึกจะแก้ยังไงดี เ้าไปแก้มันถ้าไม่รู้จะแก้ยังไงก็เฉยเฉคไปคยิ่งแก้แล้วยิ่งมัดใหญ่เจ้าค่ะหลวงพ่ออเฉยเไปเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันก็จบไปเองถ้าเราไม่มีการตอบโต้อะไรเขาเดี๋ยวเขาก็เขาก็ไปเจ้าค่ะเนีย่ยหนูสังเกตดูทุกสามเดือนสามเดือนเขาก็จะมาครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยหกเดือนก็จะมาครั้งหนึ่งแต่ครั้งนี้รู้สึกว่าอะมันหนักมากถึงขั้นมาเคาะประตูนะ่ะ ประตูร้านในยามวิการหนูก็บอกว่ากลับบ้านไปเถอะมันไม่เหมาะสมฉันทํางานฉันก็จะต้องรีบกลับบ้านเหมือนกันอราห้ามเขาไม่ได้แต่เราห้ามใจเราได้แล้วเำเฉยๆไปแล้วค่ะลูกค้า่ออยากไปอยากให้เขาไม่มายิ่งอยากยิ่งเครียดใหญ่มันจะมาปล่อยปล่อเขามาใช่ช่ค่ะขอบคุณมากเจ้าค่ะแล้วลูกค้าตัสิบแปดเพิ่มขึ้น เห <นะ S 2> มือนนั่งตรงไหนก็นั่งสมาธิก็เข้าได้ตรงไหนก็ได้ค่ะไม่ต้องมีอัตนะหนูก็สามารถนั่งได้เวลามันปวดก็ ด, ดูที่มไม่ไม้ดูรู้สึกเหมือนกายกระฉิดมันไม่ได้อยู่ด้วยกันค่ะแต่พอมันไปเจอทางานมันก็จะมีอ้ามาอีกแล้วเสีย <c oughs> ก็อย่าไปอยากเฉยๆไป มาก็มาอย่าไปอยากให้มันไม่มาเจ้าค่ะหลวงพ่อโอเคนะขอบครณคุณ้แม่ตาจ้าค่ <Okay. S 2> ะโอเคอย่าไป<ะ>ไปด้อไปได้คุณปานาราดอีีเราลองเปิดใหม่เร็วสักการนี้ได้ยินไหมครับอาจารย์อ่าได้ยินนะเชิญกลับกลับนมัสกันทรารอาจารย์นะคะหนูขออนุ ญ, ญาตเรียกว่าหลวงพ่อได้ไหมคะ ได้ยินเรือร่องอะไรก็ได้ไค่ะค่ะหลวงพ่อครั้งแรกนะคะที่หนูเข้ามาในรายการสดนูอยูภูกเก็ตนะคะอ่าค่ะปกติอนูอาจจะทํางานแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาเป็นเป็นช่วงจังหวะเพราะงานค่อนข้า ง, งจะเยอะฉันไมค่ค่ะส่วนใหญ่ก็จะติดตามฟังธรรมะของหลวงพ่อหน้าปกติแล้วเกือบเกือบทุกครั้งอะคะ่ะแต่อาจจะไม่ได้ตรงเวลาที่หลวงพ่อได้สอนธรรมะก็คือฟังย้อนหลังนะคะ่ะอืม เหมือนอย่างมาฟังธรรมอย่างนี้ก็ก็เข้าฟังฟังบ่อยแต่ก็ไม่ได้เข้ามามามาทางออนไลน์หรือตรงนะคะจะเป็นผู้ฟังมากกว่านะคะอันนี้เป็นครั้งแรกเลยที่เขาาเาา้าาอาไลน์เขาบอกไเลยินได้รับมีอะไรไหมคะ่ะหนูก็ฝึก ก, ก็อยากจะกลับหลวงเพราะว่าจริงๆแล้วหนูก็ฝึกสมาธิปฏิบัติศีลสมาธิภาวนามาก็ร่วมเกสิบปีแล้วอะค่ะ ฝึกครั้งแรกก็หนูก็ฝึกที่วัดหลวงพ่อจรันนะคะจังหวัดสิงห์บุรีซึ่งหนูก็ไปเกือบทุกปีนะคะปีนี้ก็เดือนหน้านี้ก็จะไปอีกสิบวันนะคะตั้งแต่วันที่สิบกถึงยี่สิบหกแล้วก็จริงๆแล้วหนูก็ฟังธรรมะเยอะวันหนึ่งเป็นสองชั่วโมงสามชั่วโมงก็คือถ้าเกิดมีเวลาว่างก็จะฟังธรรมะช่วงที่ตัวเองว่างก็ฟังธรรมะอยู่คนเดียวฟังธรรมะแต่ว่าถ้าเกิดว่าต้องทํากิจกรรมกับ ครอบัวก็ก็จะปิดธรรมะค่ะแต่ถ้าอยู่คนเดียวเมื่อไหร่ก็จะฟังธรรมะนั่งสลับกับการนั่งสมาธิบ้างก็ได้นะอนั่งสมาธิหนูค่อนข้างจะนั่งวันละหลายหลายครั้งนะคะ่ะออหนูนั่งสมาธิเป็นเป็นยานะคะหนูว่าอย่างเช่นสมมติว่าหนูทํางานเหนื่อยรู้สึกเหนื่อยหนูก็จะลงไปนั่งสมาธิจะทําให้หนูหายเหนื่อย แล้วก็มีพลักกาลังขึ้นมาหนูก็ไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นจริงๆอะคะ่ะหนูเริ่มปฏิบัตินั่งสมาธิอย่างจริงจังตอนช่วงโควิดอ่ะคะ่ะเนื่องจากโควิดไปไหนไม่ได้ใช่ไหมคะก็ก็เลยได้นั่งฝึกสมาธิจริงจังอ่ะค่ะหนุงพ่อค่ะแล้วก็ นังเมื่อก่อนเมื่อก่อนนะคะก่อนช่วงแรกนั่งจริงๆเนี่ยเวลาเรื่องจากงานที่หนูทํางานเยอะนะคะแล้วก็เจอกับปัญหาผู้คนคืนหนูทํางานเกี่ยวกับมาร์เก็ตติ้งเกี่ยวกับการขายนะคะ่ะฉะนั้นงานที่ทําเนี่ยก็มักจะสวนทางกับทางธรรมนะคะเพราะว่าเป็นงานที่กระตุ้นโมทิเวชให้เราทํางานให้เรามีความอยากแต่ทางธรรมะเนี่ยจะสอนเราให้รัะความอยากความต้องการซึ่งแรกๆก็ก็จะยากมากนะคะหลวงพ่อ มันมันเป็นเส้นทางที่เป็นเส้นทางคนคนคนละเส้นทางกันเลยอะค่ะแต่ว่าช่วงโควิดนะคะเป็นโชคดีที่หนูได้มาฝึกปฏิบัติจริงๆนั่นสมาธิจริงๆแล้วก็หลายๆครั้งที่ที่ที่สิ่งความมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นกับตัวหนูที่หนูเห็นโดยง่ายๆเลยก็คือว่าอย่างเช่นหนูความมีความเครียดลงลงไปนั่งสมาธิเมื่อไหร่แป๊บเดียวหนูปล่อยปล่อยสมาธิไม่คิดอะไรใช่ไหมคะ ความเครียดหายเส้นเวลาเราเครียดเนี่ยบางทีเส้นสมองที่ตรงนี้อ่ะจะเต้นตุ๊ๆตุ๊บ๊ใช่ไหมคะแป๊บเดียวหายเลยค่ะหรือในบางครั้งเวลาทํางานไปนอนไม่หลับก็ลุกขึ้นมานั่งสมาธิไม่ถึงห้านาทีหรือหมดทุกเรื่องอันนี้เป็นเรื่องแปลกค่ะของของของหนูก็เลยเลยคิดอยู่ในใจว่ามันเป็นความมหัศจรรย์ของโรมหายใจเข้าออกที่หนูเลี้ยเองนะคะ แล้วก็ในการฟังธรรมะของหนูอะค่ะหนูก็ส่วนใหญ่สิ่งหนึ่งหนูก็ไม่รู้ว่าผิดหรือถูกก็คือหนูไม่ค่อยไปจดจําว่าเรานั่งสมาธิแล้วเราได้อะไรไปถึงขั้นไหนหนูไม่จําเลยค่ะแต่หนูจะจดจําวิธีการในที่หลวงพ่อท่านแต่และท่านที่หนูฟังธรรมะมาค่ะบอกว่าเราต้องปฏิบัติอย่างไรแล้วเราอย่าไปอยากอันนี้คือสิ่งที่หนูทํามาทําให้ถามว่า แล้วเราปฏิบัติเป็นยังไงถึงไหนไม่ไม่ทราบอะค่ะไม่ทรา บ, รบถึงไหนจริงๆเพราะหนูไม่ได้สนใจว่ามีความรู้สึกว่าการที่ตัวเองมาปฏิบัติธรรมก็คือเรารัะความอยากในทางโลกเราก็เราก็มีความอยากมากพอแล้วอันนี้สิ่งที่หนูคิดถูกต้องใช่ไหมคะหลวงพ่อใช่ถูกต้องทุกอย่างเลยทุกทางค่ะแล้วก็หลายๆ ห, หนูหลังจากปฏิบัติตมานานหนูก็มีเรื่องที่สูจนตัวเองมากมายแม้กระทั่งการทําบุญ สมัยก่อนตอนที่เราทําบุญเนี่ยเรารู้สึกว่าเราจะรู้สึกตัวเราเองว่าทุกครั้งที่เราทําบุญนะค่ะปิติสุขแต่ทุกวันนี้หนูก็ชอบทําบุญมากกว่าเดิมโดยที่ไม่ได้รู้สึกเสียดายไม่ว่าทําบุญในรูปแบบไหนนะคะบุญเยอะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับหนูก็คือเฉยเฉยหลังจากที่ทําหนูก็เลยไม่รู้สึกไม่รู้ว่าเอ๊ะทาไมถึงรู้สึกเฉยเฉยจริงๆแล้วมันต้องปิติสุขหรือเปล่าแต่มันไม่ได้เกิดขึ้นนะปัจจุบันนี้ หลังจากทําแล้วค่ะหลวงพ่อก็คือทําแล้วก็ก็คือทําเฉยเฉยก็ขอให้เราสบายใจกันแล้วกันใช่ใช่สบายใจค่ะแต่ว่าก็คือแล้วก็คืมคึมเมื่อก่อนเราจะรู้สึกตื้นตันใช่ไหมคะหลวงพอ่อคือตื้นตนะันอ่ะเดี๋ยวนี้ความตื้นตันพวกนั้นไม่รู้หายไปไหนหมดนะค่ะเป็นเป็นการเฉยเฉยแต่แต่แต่ต้องการที่จะทําเห็นอะไรก็ก็ช่วยอันอันนี้หนูหนูถูกทางไม่ต้านหลวงพอ่อก็มันก็ ให้ปิตีนี่บางทีมันก็เกิดก็ได้บางทีมันไม่เกิดก็ได้ดังนั้นไม่ต้องไปกังวลกับมันพอนเราได้ทําแล้วเรามีความรู้สึกอิ่มใจสุขใจอันนี้ก็พอแล้วก็หลังจากปฏิบัติมาก็เวลาเราทําบุญไป ท, ทุกครั้งเลยปัจจุบันนี้ไม่เกิดสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไม่ตามไปอยากดูอยากเห็นอยากรู้ในสิ่งที่เราทําว่าสิ่งที่เราทําแล้วจะไปถึงไหนอะคะ่ะอืมก็คือทําแล้วทาเลย ไม่ไ ม, ไม่ไม่ตามอยากดูอยากรู้ไม่ยึดติดในบุญที่เราในของที่เราให้เขาไปให้ก็เวลาวเขาจะไปทำยังไงก็เป็นเรื่องของเขาไปอันนี้อันนี้ใช่ใช่ไหมคะหน <c oughs> ูหนู<อ>คิดจริงนี้<อ>ทำบุญแล้วอย่าไปยึดติดกับของที่เราให้เขาไปว่าเขาไป่ทำอะไรหรือเปล่าอ่ ะ, อ ะ, อะและ้วก็เวลาหนูนั่งสมาธิคะ่ะหลวงพ่อหนูจ ะ, ะเดี๋ยวเนี้ยหลายบางครั้งอะคะ่ะคือนั่งสมาธิหนูจะนั่งนั่งนั่ ง, ง, ง, งค่อนข้างจะนั่งได้แต่ แตก็ไม่นิ่งตลอดแต่แต่สิ่งหนึ่งที่สมมุติว่าเวลาหนูนั่งสมาธิตายจิตหนูเกิดวอกแวกส่วนใหญ่ที่วอกแวกนะคะหลงพ่เป็นวมเรื่องงานจนบางครั้งตัวเองยังคิดว่าุยพูดจริงๆนะคะหลงวงพ่เอเรามีกรรมอะไรกับงานทําไมเราจะต้องเป็นคนรับผิดชอบงานขนาดนี้ทําไมเราจะต้องไปรักงานขนาดนี้<笑><笑>ใช่ไหมคะแต่สิ่งหนึ่งที่หนูดึงจิตกลับมาก็คือหนูพยายามคิดว่าตอนที่นั่งสมาธิว่าตอนเนี้เราตายแล้วนะ เราตายแล้วเราไม่มีสิทธิที่จะห่วงอะไรทั้งสิ้น ง, งานเราต้องทิ้งทุกอย่างก็ต้องทิ้งหนูคิดแบบนี้ได้ใช่ไหมคะช่วงเวลาคิดบล็อกไหมได้มันช่วยทําให้เราสงบได้ง่ายขึ้นแต่ว่าพอหนูนั่งสมาธิไปสักพักหนึ่งใจจะนิ่งมากแต่พอไปเจอความนิ่งที่มันเป็นความสงบสุขบางครั้งหลายหายครั้งนะถ้าหลวงพ่อหนูเผลอหลุดออกมาทันทีเลยอะคะ่ะ มันเหมือนกับว่าไอความสงบสุขที่เราเจอเราก็ไม่ชอบมันอันนี้จะแก้ยังไงคะหลวงพ่อมันเป็นเป็นกำลังของกิเลสมันยังอยากจะให้เราไปหาเรื่องอย่างอื่นทำอยู่เราก็ต้องใช้สติเพิ่มมากขึ้นใช้พุโทโธหรือใช้อะไรเพื่อจะได้นั่งต่อไปได้กิเลสมันจะพยายามหลอกให้เราออกจากสมาธิยางไง่ ตสติเราอ่อนกาลังมันก็จะสู้กิเลไม่ไหวเราก็ต้องสร้างสติขึ้นมาด้วยการใช้พุทโธพุทโธพุทโธหนูหนูเคยสังเกตหลายครั้งเวลาหนูหลุดออกมาทั้งที่ใจจิตใจสงบโดยที่ไม่ได้ฟุ้งสร้างนะคะมันจะเกิดอยู่อย่างหนึ่งก็คือความเบื่อหน่ายความเบื่อหนูก็หลายๆครั้งที่เราจะลัความเบื่อตรงนี้ได้ยังไงอ๋อถ้ามันเบื่อแบบไม่เท่า ก, ก็กด็ดีอันนี้เนี่ย เหนือนก็คือเราจะได้ไม่ไปอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ความอยากศาสตร์สหรับหนูหลังจากปฏิบัติมานานแล้วก็หนูฟังธรรมเยอะมากหนูฟังธรรมมากหลวงปู่ส่วนใหญ่หนออ่ที่ท่านมรณภาพไปฟังจากที่ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องจนจนรู้เรื่องนะคะก็คือฟังหลวงพ่อจันทรฟังท่านพุทธทาสหลวงปู่ฤาษีได้บิงดําหลวงปู่บัวเกศคือหนูฟังเป็นคนฟังธรรมเยอะจนจนกระทั่งวันนึงนะคะหนูดีใจที่หนูเปิดมาแล้วก็ มาเจอมาเจอเสียงผ้าจารย์เสียงหลวงพ่อค่ะวันนั้นที่หนูเจอเรียดเสียงหลวงพ่อหลวงพ่อพูดเป็นภาษาอังกฤษอยู่ตอบตอบตอบชาวต่างชาติหนูก็ตกใจผ้าอะไรนะคะทํำไมพูดภาษาอังกฤษดีจังเลยทํำให้หนูเข้าไปดูประวัติของของหลวงพ่อแล้วหลังจากนั้นหนูก็มาติดตามฟังฟัรมาตลอดนะคะทีเนี้ถามว่าที่เกิดกิเลสความอยากค่ะ หนูเกิดความเหนื่อยมากกว่าเพราะว่าปกติแล้วในชีวิตประจําวันหนูก็รู้สึกว่าเอ้ยจริงๆคนเราเนี่ยตัวตัวเองนะคะถ้าเปรียบกับคนที่มีความทุกข์เราก็ไม่ได้มีความทุกข์อะไรเราไม่ได้มีภาระหนี้สินเราเราเรามีเรามีทุกอย่างแล้วเราก็เบื่อเปรียบเสมือนเทวดานางฟ้าไปแล้วฉะนั้นถามว่าจริงๆในใจบอกว่าเอ้ยที่ที่มาศึกษาธรรมะมีความรู้สึกอยากไปเป็นนางฟ้าเกิดมาไม่เลยค่ะหลวพ่อ ไม่ไม่ได้เกิดความรู้สึกตรงนั้นมีความรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้เวลาเห็นอะไรอ่ะค่ะเอ๊ะมันเป็นทุกข์นะมันทําให้เรามองเห็นสิ่งที่เราเจ อ, อะค่ะมันเป็นทุกข์มันเป็นเรื่องที่ที่ที่มันไม่ใช่ของเราแม้กระทั่งลูกเราหนูยกตัว อ, อย่างนะคะแม้กระทั่งลูกเราโดยปกติพ่อแม่จะคิดว่าเป็นทุกข์เมื่อลูลูกเป็นเด็กไม่ดีใช่ไหมคะไม่เชื่อฟังไม่ประสบความสําเร็จเราก็จะรู้สึกว่าเราทุกข์ แต่สําหรับหนูจริงๆไม่ใช่ลูนหนูก็ประสบความสําเร็จ ล, ลูกหนูอยู่ต่างประเทศทํางานอยู่ที่ต่างประเทศที่อเมริกาเขาก็ประสบความสําเร็จแต่ก็ทําให้เห็นว่าขนาดที่เราส่งลูกส่งเสียลูกเราจนประสบความสําเร็จแล้วเราก็เออมันก็เป็นความผุกของเรานะ่ลูกก็ไม่ใช่ของเราเพราะก็ยังอยู่ไกลเราแล้วมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าตัดความอยากในชีวิตร่างกายในตัวเองไปเยอะมากแต่มันเหมือนกับว่าเราตัดไม่ออกในเรื่องของภาระหน้าที่ เกี่ยวกับทางโลกที่บอกว่ามีความรู้สึกโดนปลูกฝังมาเนืเ่องจากว่าหนูหนูเป็นเด็กลูกชาวสวนนะคะหลงพ่อเกิดมาจากลูกชาวสวนธรรมดาเราอาจจะปลูกถูกปลูกฝังมาด้วยว่าเราจะต้องเป็นคนขยันทํางานเราจะต้องเป็นคนเข้มแข็งเราจะต้องเป็นคนอดทนเราจะต้องเป็นคนที่ที่มุกมานะเพราะมันเป็นปลูกฝังพวกนี้มันเหมือนจนกระทั่งเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าเอ๊ะทําไมเราต้องถูกฝังชิดพวกนี้มากับเรา มันก็ดีอะเพียงแตวเราต้เปลี่ยนเป้าหมายแทนที่จะไปมุงมานั่กับทางโลกก็เปลี่ยนมาทางธรรมแทนทางโลกมันเป็นทางตันตายไปก็อาอะไรไปไม่ได้ทางโลกเอาแค่พออยู่พอกินก็พอเอาเวลามาให้กับการปฏิบัติทางธรรมจะดีกว่ามันก็ยากนะคะหลวงพ่อบหนูก็อยากได้ยังบอกว่าเนี่ยตัวเองเลยว่าถ้าหลวงได้คได้โอกาสของขอคําแนะนําหลวงพ่ออยากจะขอคําคําแนะนําเกี่ยวกับว่า เออเราถ้าถ้าเรายัางตัดเรายัางตัดภาระหน้าที่ที่เราถูกถูกฝังมาในทางโลกให้เราต้องรับผิดชอบแล้วเราเราจะใช้ธรรมะอันไหนแล้วให้ให้ดีที่สุดเพื่อเราไปสู่สูส่เส้นทางธรรมเพราะหนูมีความรู้สึกว่าสุดท้ายชีวิตเราเราไม่ได้ต้องการทางโลกเลยก็ทางโลกเป็นธรรมาตของไม่เที่ยงเป็นอ น, นิจจังลามยศสนะเส ร, ริญสุขนี่เป็นของชั่อเก่าน้ำกายเราก็เป็นของชั่วเก่า อน่นเดี๋ยววันต่อไปวันใดข้างหน้า น, นี้บางนาจะแก่จะไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงทาอะไรไม่ได้อยู่ดีงั้นอย่าไปทางโลกให้มากเกินเกินไปทางโลกมีไว้เพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็พอเอาเวลามาให้กับทางธรรมดีกว่าเพิ่มการปฏิบัติให้มากขึ้นลดการทำงานให้น้อยลง เดี๋ยวนี้ก็มีโอกาสได้ปฏิบัติทำที่บ้านเองเยอะนะคะเนื่องจากว่างานที่ทําก็อยู่กับระบบออนไลน์แต่ว่าสิ่งที่หนูทําก็มันก็สวนทางกับเป้าหมายบริษัทนะคะเ <c oughs> พราะเราทํางานมาร์เก็ตติ้งใช่ไหมคะมันก็จะต้องมีเรื่องของแข่งขันเรากลายเป็นว่าเหมือนกับคนอีกส่วนหนึ่งแต่เราก็มีโลกของเราที่เราก็มีความสุขของเราในการได้ทำงานกับทางทำไปพร้อมกันเราก็ต้องเป็นผู้จัดตัดสินใจเราจะเรือกเอาอะไร หนูอ่าสุดท้ายเนี่ยหนูอยากให้หลวงพ่อให้ข้อคิดหนูในการที่ตอนที่หนูนั่งสมาธิไปแล้วเกี่ยวกับรู้สึกเกิดความเบื่อแล้วหนูก็ก็ออกมาเลยจากอารมณ์ของสมาธิคือมันดึงออกมาเลยอะค่ะหลายครั้งที่หนูพอรู้สึกตัวออกมาจนอยู่ภาวะปกติหนูก็กลับไปนั่งใหม่ซึ่งก็นั่งก็นั่งได้อีกค่ะแต่พอนั่งไปสักพักพออารมณ์นิ่งที่สงบมากมา ก, มาก หนูก็จะหลุดกลับออกมาในทางโลกอีกคือหลุดหลุดออกรู้สึกตัวค่ะหลวงพ่อค่ะหนูไม่รู้จะแก้ยังไงก็พยายามฝืนแต่ยัเวลาเกิดความอยากจะออกก็ให้คำบริการพุทโธพุทโธบังคับให้มันอยู่ต่อไปทั้งทั้งที่หลายครั้งทุกครั้งเนี่ยหมื อ, อย่างหนูเจอในเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันหรือนั่งสมาธิ เหมือนเกิด อ, อาการปวดชาหนูก็เฉยๆนะคะหนูมองใจหนูไม่ได้ชาเป็นกับขาขาก็ก็ชาข อ, ของเข้าไปเหมือนล่าสุดหนูชอบเป็นคนรู้ชาวสวนนะคะรูชาวบ้านก็เอามีสวนอยู่ข้างบ้านก็ลงไปทาสวนหน้ามืดเนื่องจากอายุตัวเองไปเยอะแล้วหน้ามืดหน้ามืดปุ๊บหนูก็ลงไปนั่งสมาธิทันทีเลยเราไม่สนใจร่างกายนั่งสมาธิพุโทโธ ห, หายใจมหนูจะใช้การมองลมหายใจเข้าออกมากกว่าค่ะ เข้าออกเข้าออกสองรอบอาการอาการที่หน้ามืดเมื่อกี้อะค่ะหายหมดอะไรพวกนี้อะค่ะหนูก็บอกผมว่าเป็นความหัดสะใ์แต่ว่าสิ่งที่เกิดกับหนทูที่หนูเบอกหลวงพ่ อ, ห น, อหนุนั่งสมาธิอยาดนั่งเป็นวันๆนะคะแต่ว่ามันก็จะหลุดออกมาที่ที่เกิดความเบือ่อต้องฝืนใจต้องฝืนอย่าอย่าไปทำตามมันแล้วก็เล่าฝืนดูลงไปแล้วพุทโธต่อไปอันนั้นสเตจเรามันหมดมันจะเกิดความเบื่อขึ้นมา สมมุติว่าบางเออตอนที่เราเกิดฟะหรือเราปกติหนูใช้หลักการก็คือลมหายใจเราอาจจะใช้พุทโธเข้ามาช่วยเพราะว่าพุทโธรู้สึกมันมันกระตุ้นเตือนเรามากกว่าลมหายใจได้อันไหนก็ได้นะลองทำดูเอาให้นี่ก่อนนะโยมมีคนรอนก้วยเวลาอากาศของพ่อกอากาศขอให้ขอให้หลวงพ่อธาตุแข็งแรงนะคะอย่าสาธุ่าไปที่คุณชนะดาต่ออันนี้เอา คนละห้าทีก็พอเนาะมันเวลามันก็ยังแบบธรารมการิจะแค่พาจานมีอะไรไหมพาจานอันนี้ยูซีเอชาเลยยูซีชาค่ะพักนี้ก็จะมาทั้งสองาคืนต่อสัปดาห์ค่ะพาจา์มีพามีพาคนมาใส่หรือเปล่าอันนี้พรุ่งนี้ไม่มีแต่ว่ามีแพนอยู่ค่ะอยู่ในมีมีในแพนนี่ค่ะค่ะก็ลูกค้าค่ะพาอาจารย์เหมือนเดิมค่ะ ได้ายทั้งขอกายทั้งบุนะก็ก็อยากให้เขาได้มีโอกาสค่ะอาจารย์อยากอยากให้เขาได้มีโอกาสเปนลูกเนี่ยใช่คช่ค่นั้นนะคะเป็นความหวังดีล้วนๆเลยสอาจารย์โอเคอาตรงนี้ก่อนนะค่ะอาจารย์ปางอะไรปางอะไรเจอน่อะไรห วัฒนธรรมเจ้กกาค่ะพระอาจารย์เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปจะหนุนนิมนต์พระวัดวัดที่วัดยานม า, าจเจริญ ม, มาพุทธมนต์ที่โรงแรมเจ้ค่ะอ ะ, อะไรนะค่ะได้เนี่เ้าค่ะก็ปฏิบัติเหมือนเดิมนะเจ้กกาค่ะค่ะโอเคไที่คนกูนิงคนกูนิงเิญัดวัฒนธรค่ะพระอาจารย์แรกก็ ก็ไม่ได้แต่พยายามเข้ากับอาจารย์มาขอพลังจากพระอาจารย์แต่ก็อืมได้ฟังหลายๆท่านก็ดีขึ้นมากเลยครับออืืช่วงนี้เจออะไรเยอะสติคือพลังถ้าไม่มีพลังก็พุทโธพุทโธไปปลุกสติขึ้นมาค่ะพระอาจารย์เดออะไรเยอะมากเลยฟังธรรมะฟังธรรมะก็จะช่วยมีกําลังได้ทำธรรมฟังธรรมทุกวันคับพระอาจารย์แล้วก็คิดถึง ทำสั่งสอนของพระอาจารย์ด้วยค่ะแล้วก็หลายๆทางก็ดีค่ะพระอาจารย์ถึงมาจะแกล้งแต่มันก็ดีขึ้นคือมันไม่ได้ทําให้เราอ่ทุกข์มากอไม่ทำให้มันหลุดน ะ, ะไม่ให้มันหลุดแต่ก็เกือบหลุดกับพระอาจารย์ก็พาคนที่จะไปโรงพยาบาล ส่งสาวันก็ไปช่วยเพื่อนในเรื่องของสามีเขาเสียชีวิตที่เป็นฝรั่งด้วยแล้วก็ไปเก็บกระดูกหนูก็พิจารณาเออเหลือแค่นี้เองเหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าขอบคุณนะที่ที่พี่บอกว่าไม่ต้องร้องละมันก็ไม่มีอะไรที่มันไม่มีอะไรจริงๆนะพี่พ่อหนูไปเห็นเอา้ามันมีอยู่แค่นี้เหรอเดี๋ยวมันก็ไม่มีอะไรละมองอย่างนี้ใช่ใชมมม่มองามองกับมาที่ตัวเราด้วยเราก็ต้องเป็นอย่างนี้เหมือนกัน อ่าหนูก็บอกว่าเดี๋ยวเราก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราก็หายแปมันไม่มีอะไรอืมแล้วก็ว่างเหมือนเดิมเขาบอกว่าอขอบคุณมากเลยครับอาจารย์ก็ไม่มีอะไรแล้วเออเราก็ต้องอดทนนะคะเปลี่ยนยายามในสิ่งที่ที่ทําต่อไปอะค่ะพระอาจารย์ทั้งทางโลกและทางธรรมที่จะต้องทำถึงแม้ว่าจะเหนื่อยหนูก็ต้องอดทนต่อไปวันนี้อดทนมากกับ กับคนแก่ที่เหมือนเด็กครับรัอาจารย์ก็ไม่เป็นไรค่ะหนูก็ต้องต่อไปค่ะพระอาจารย์ไม่มีค่ะม่ตาเมตานะคณพระอาจารย์ก็ต้องมีตาการกัรอาาย้า่อให้ข้าวแงเระาจารย์แ่งเ่งจอยจาจุนจอยเก้าวขอมีอะไรหมก็มีมีหนูก็มี เหมือนกับว่าหนูได้หนูได้เจอคนตายแบบว่าตอนเช้าคุยกันตอนเย็นตายเลยค่ะออนะืแบบคาตาเลยค่ะแบบคือตอนเช้าหนูไปเยี่ยมเขาหนูเหมือนกับว่าเขาพูดเหมือนตัดเพลาะเหมือนเขาจะตายพอตกเย็มาเขาตายเลยค่ะแล้วหนูก็ไปช่วยเขาเอ่ออะไรอะไปที่โรงบามไปช่วยแล้วก็เห็นเห็นร่างเขาที่นอนแบบไร้วิญญาณซึ่งก่อนนี้เขาเพิ่งคุยกับเราไปอ่ะค่ะอื ม, มันชัดมากเลยค่ะอือรู้สึกยังไงหรือเปล่า รู้สึกค่ะตอนแรกคือกลัวก่อนขั้นและแล้วก็มาคิดพิจารณาต่อครั้งที่สองค่ะว่าอ๋อมันก็คือทุกคนและคือเราก็คือต้องเป็นอย่างนั้นด้วยค่ะอืมกลัวอะไรก็ผีกลัวผีนะแล้วกลัวศพจะตื่นขึ้นมากลัวกลัวด้วยค่ะก็มันคนเพิ่งคุยกันแล้วแบบเอมันแค่วันเดียวยังค่ะอาจารย์เขาก็ไปเลยก็เวลาไม่สบายใจไม่กลัวเพอไม่มีลมหายใจกลับไปกลัวเขา ค่ะแล้วหนูก็เลยเอาทอมมาที่มีรวมมาใส่ที่ตัวแล้วก็คิดเขาก็คือทอมมาก็คือเราก็คืออย่างนั้นมันคือจิตกับกายมันแยกกันอยู่แล้วก็เลยแบบพยายามคิดให้ให้ให้มันได้ค่ะโอเคค่ะแล้วหนูไปใส่บาทวันที่สามมันเกิดไอตัวเลกนะคะถูกไหมใช่สามตัวจ้ะคุณแอนเชิญคุณแอนคุณแอนที่อยู่โตุกีให้ค่ะให้แล้ววันนี้อยู่ที่ไหน กลาวนมัสการหลวงพ่อค่ะวันนี้อยู่อีกซีกนึงเลยค่ะวันนี้ม า, <Hey. S 2> มาอยู่ตะวันออกกลาง uh huh. อยู่โดฮาค่ะตอนนี้ก็ยังไม่เมืดอยนะที่นั่งไม่เมืดแล้วใกล้แล้วค่ะตอนนี้หกโมงเย็นแล้วค่ะ uh huh. รีบกลับมามาม า, มาจอยซูมมาอยากมานั่งฟังด้วย uh huh. ออกไปข้างนอกมาไม่มีสัญญาณมีะอะไรไหม วันนี้ไม่มีคําถามค่ะอยากจะเข้ามานั่งฟังเฉยๆแต่ว่าอยากจะถามหลวงพ่อนอกนอกเหลือจากเรื่องสมาธินิดนึงได้ไหมคะพอดีหนูแอบเห็นเวลาเวลาญาติโยมไปถวายสังฆทานหรือว่าหรือว่าถวายของให้ทางหลวงพ่อค่ะเห็นมีช็อกโกแลตแต่ค่ะมันเป็นอะไรล่ะคะเวลาจะมันเป็นเหมือนเขาเรียกเป็นยาทิพย์พระชันได้ในตอนบ่ายมันด้ไม่ได้เป็นอาหาร มีก้อห้ามอะไรมั้ก็คือหนูหนูอยากจะซื้อแบบเื่อได้ทีโอกาสก็ให้มันเป็นแบบแบบที่ไม่มีอะไรผสมนอกจากน้งตาลอ๋อคือขาเด็กดาร์กช็อกโกแลตค่ะมิวช็อกโกแลตนี่ไม่ได้เพราะมันมีนมผสมพอดีหนูไปเดินเห็นเลยนึกถึงเห็นเลยเออถ้าจะซื้อไปถวายบ้างอย่างเงี้ยได้เขาเรียกดาร์กช็อกโกแลต ่แต่มีน้ำตาลได้ใช่ไหมคะได้มีน้ำตาลได้ได้นิดหน่อยก็คือเจ็ดสิบเปอร์เซ็นขึ้นไปใช่ไหมคะหลวง้พ่อที่เรียกว่าดาร์ช็อกแลตตัวนี้ใช่เจ็ดสิบนะกำลังดีถ้ามากขึ้นไปมันจะขมเพราะว่ามัาตาลจะน้อย ม, อมันจะน้อยอไปได่ค่ะต่ง น, นเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวหนุจะได้ลองดูไปเพราะว่า มาทางนี้ก็หาซื้อได้ง่ายหน่อยเจเสิบด้วยตามลงมาก็ได้เจ็สิบเป็นห้าสิบก็ได้สักิบก็ได้ใช่ไหมแต่บางคนไม่รู้คิดว่าน้อยซมันจะดีบคนดีนะหนูยังไม่ซื้อเมื่กิ้หนูแอบไปเห็นหนูเห็นว่าโอ้สงสัยยิ่งยิ่งยิ่งผมยิ่งดีเป็นยายังไม่ได้ซื้อมาต้องมาจิ้มน้ำต้องมาจิ้มน้ำผึ้งแล้วจิ้มน้ําตาลนี้ได้ไค่ะแ้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนูดูแบบ5ห้าสิบกับเจ็ดสิบเปอร์เ่แน่ใจแล้วมันแบบมีพวกส่วนผสมที่เขียนเป็นแเลว่า เป็นเหมือนกับว่าเอ่อเป็นแฟตเป็นอะไรอย่างเงี้ยหนูไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้ค่ะได้ดีขอบคุณค่ะพวกนมพวกถั่วพวกนี้ยพวกนมพวกถั่วพวกนี้ไม่ได้ขอบคุณจ้าค่ะดีที่หนูยังไม่ได้ไปซื้อมาเมื่อกี้หนูแอบมอง99เปอร์เซนเอาไว้ไม่ไว้ ได้ค่ะขอบาคุณหลวงพ่อเจ้าค่ะไว้เีือกาสหนูจะไปกราบหลวงพ่อนะคะขอบคุณที่ถามจะได้มีโอกาสบอกาญายมไม่ทราบได้ค่ะพอญายมส่วนอยากชอบซื้อร้อยนยุงมาให้เลย อยาาโยมไม่ลองกินอยาโยมไม่ลองกินด้วยนะร้อยยังเป็นยังไงก็ว่ามันข่มหนูเห็นบอกว่าเป็นยาหนูเอ๊ะพระพระท่านฉันกันเก่งมากเลยช็อกดักช็อกแล้มันข่มมากๆเลยหนูดีไม่ยังไม่ได้ตีไปมีน้ําตาลน้ําตาลมันให้กําลังหน่อตอนบ่ายๆที่มันหิวใช่ไหมค่ะได้ค่ะหลวงพ่อเดี๋ยวหนูดูแบบว่าห้าสิบเปอร์เนตไปให้ละกันนะคะดีจ้ะสาวตูจ้ะขอบพระคุณค่ะไม่มีแล้วนะคะหลวงพ่อ สาธุค่ะสวัสดีค่ะอะ ค, คุณตุกตาเชนคุณตุกตาเพิ่งเข้ามาครั้งแรกหรือเปล่าเพิ่คยเข้ามาแล้วไม่เพิ่งเข้ามาครั้งแรกเจ้าค่ะแต่ว่าก็จะฟังธรรมแล้วก็ปีที่เราได้มีโอกาสเข้าไปกล่าวธรรสการหลวงขออนุญาตเรียกหลวงตาหน่อเจ้าคะ่ะหลวงตากับคณะของน้องน้องม อ, งองธรรมศาสตร์เจ้าคะ่ะดูก็อ่าปฏิบัติ ทุกๆวันโดยการทำงานเอางานมาเป็นกรรมฐานนะคะก็คือเมื่อเราเผลอเราก็เหมือนรู้ว่าเผลอเราก็จะตั้งจิตตนกลับมาะคะ่ะแล้วก็ตอนนี้หนูติดติดเหมือนการอยู่พรมไม่ไม่อยากออกไปไหนประมาณนี้นะคะ่ะแล้วก็ช่วงประมาณต้นๆปีอาจจะจ ะ, จะมีความทุกข์ ตัวหนึ่งที่มันผุดขึ้นมาซึ่งมันเป็นความทุกข์ที่ไม่ได้เกิดจากทุกข์กายหรือว่าทุกทุกในเรื่องของอเขาเรียกไม่ได้ทุกข์ทั่วไปอะค่ะมันเหมือนทุก ท, ทุกทุกอีแบบหนึ่งที่เราไม่เคยทุกข์มาก่อนแล้วแล้วมันหนูว่ายังติดตรงที่มันออกไม่ได้เพราะว่าเรายังสมาธิยั ง, ย, งยังไม่ได้มากพอที่จะไปสู้กับตรงนี้แต่แต่เราก็ใช้หลักธรรมของพระพุทธองค์ท่านนั่นก็คือ อ่าอ่าในเรื่องของการเหตุปัจจัยที่ให้เกิดทุกเจ้าค่ะแล้วก็อ่ารู้ทุกแล้วก็ต้องรู้เหตุของการเกิดทุกแล้วก็มัดมัข้อนินโรต่อไปแต่หนูณนะวันนี้ปัจจุบันอ่าปัจจุบันเนี้ยหนูก็พอรู้แล้วว่าทุกที่เราเกิดขึ้นอ่ะเพราะว่าด้วยความมิจฉาของตนเพราะว่าหนูก็นึกว่าหนูก็จะนึกวงปฏิสัมุทธบาทนะเจ้าค่ะว่า มันทุกข์กเกิดจากอะไรหลยประมาณนะ่ะทุกข์จากอุปทานอัปทานเกิดจากตัณหาของเรามันก็จะว น, นไปแล้วว่าที่แท้วมันก็คือทุกข์เกิดจากความไม่รู้ของเราคืออวิชชาแต่ว่าหนูก็เพียรเดินตามมรรคของพุทธองค์ก็คือห น, หนูเองหนูก็ปฏิทานของตัวเองว่าต้องให้ได้ซึ่งมาสัมมาทิฏฐิเป็นตัวนําให้ได้แล้วก็หนูเอง เพียรภาวานาไปให้ถึงขั้นต่ำเลยก็คือโสดาบันตอนนี้ลูกเองก็เดินโสด า, โสด า, าโสดาปฏิมาใช่อยู่อยู่เป็นประจาแล้วก็ซึ่งความทุกข์เนี้ยหนูเองกอ็รู้แล้วว่าเราอ่ะจะเดินมักยังไงแล้วก็เพียรภาวานาว่าสักวันหนึ่งลูกจะไปถึงถึงขั้นนี้โลดตรงนั้นได้เล้วค่ะแล้วก็ทุกวันนี้ก็ก็เพียรเพียรภาวานาไปเรื่อยแล้วก็ฝึกตนให้ ให้ถึงเหตุปัจจัยไปให้ให้ถึงจุดตรงนั้นให้ได้ถ้าภพชาตินี้ลูกยังไม่เข้าถึงกระแสะแห่งธรรมก็ขอให้การเพียมานางภพชาตินี้เป็นเหตุปัใจจัยให้ให้ท่าน ภพชาติต่อไปถ้าถ้ายังต้องเวียนว่ายตายเกิดในภพชาติต่อไปก็ขอให้เป็นเหตุปัจจัยให้หลุดในภพชาติต่อตไปเจ้าค่ะแต่ว่าชาติลูกก็จะเพียรภาวนาให้ให้ให้ได้ถึงจุดนั้นที่ลูกภาวนาว่าว่าจะเป็นไปได้ก็ขอให้หลุดภพชาตินี้นะเจ้าค่ะอืได้ถ้าปฏิบัติถูกต้องมันก็เจ็วันหรือเจ็ดเดือนแล้วเจ็ดปีก็ได้เจ็ดชาติอือ อก็ยปฏิบัติให้ถูกเบื้องต้นก็ให้ฝึกสติให้มากมา ก, มาก่อนใช่คะเจ้าค่ะสวัสดีครับมีสติแล้วก็มาฝึกนั่งสมาธิกันอ่า น, นใจให้สงบค่ะตอนนี้ลูกทํางานส่วนใหญ่ลูกทํางานปัจจุบันลูกทํางานกั บ, กบคนไข้โรคหัวใจแล้วจุดนี้ก็ได้ได้รู้เรื่องของธาตุเกิดดับมากยิ่งขึ้นแล้วก็ลูกเองก็จะ ได้นำธรรมะที่ที่ลูกได้เจอกับตัวเองหรือว่าลูกที่ได้ฟังมาเนี่ยไปแนะนำให้กับคนไข้หรือแม้กระทั่งญาติให้เขาสบายใจนิ่งขึ้นนี่นี่ก็ลูกก็ถือว่าเป็นเป็นการตั้งทิศ ท, ทีการทำงานของลูกว่าลูกเองก็ได้ทำให้ผู้คนนั้นสบายใจก็เป็นการการที่ลูกได้มาบำเพียร แล้วก็สร้างสร้างบา ร, รมีของตัวเองนะนะนะัในจังหวัดเพชรบุรีด้วยจ้ะค่ะก็ถือถือโอกาสเป็นการดีที่เหมือนลูกได้ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ในการเพียรภาวนาอีกครั้งหนึ่งเหมือนเช่นเดียวกันจ้ะค่ะดีจ้จะพยายามปฏิบัติไปเจริญมากให้มากศีลสมาธิปัญญาทานศีลสมาธิปัญญาจ้าค่ะ <c oughs> <c oughs> กรนมสัสการเจ้าค่ะขอบพ <Okay. S 2> ระคุณมากจันะเจ้าค่ะ yeah. สาธุจ้ไปที่เดสเปนบิลลับนมัสการครับสาธเป็นยังไงบาตอนนี้นหน้วร้อนตอนนี้อยู่ฝรั่งเศส ร, ร้อนอนาวเลาทมเขาออ ก, อดกเดกมาที่บ้านอีกหลังหนึ่งที่ฝรั่งเศสดี <c oughs> อยู่ใกล้ปารีสหรือเปล่าสองชั่วโมงนั่งรถไฟครับผมอ๋อก็กลับเข้ามากลับก็จะไปปารีสไปปารีสมาแล้วครับไปปารีสช่วงก่อนโอลิมปิกจึงวุ่นวายมากคนเยอะไปหมดแล้วก็ก็ทับอะไรก็ปิดกันเดินแทบจะไม่ได้เลยเมืองเมืองแบบเขาเขาล้อมลัวอะไรไปเต็ม ตอนนี้มำรว จ, รวจานก็เยอะตำรวจก็เยอะตำรวจเยอะมากเลยคนระับจะเดินไปไหนก็ลำบากที่ปารีสตอนนี้คนเยอะแล้วก็ในท่องเที่ยวเยอะแต่ว่าเอเรียมันก็รี strict เขาปิดปิดสถานที่หลักในเมืองมันกลายเป็นเราทําเป็นสนามกีฬาหมดเลยครับเช่นหน้าไอเฟ e ท t o เ e อร์อะไรพวกนี้ เขากราบมันต้องมากราบนมาส ก, การเพราะว่าเพิ่งผ่านวันเกิดมาครับอ่าแม่ไม่อยู่อแม่อยู่รกราบนรัสการเจ้าค่ะหลวงพอ่อของหลวงตาโอนปัจจัยครับไดร่วมร่วมทำบุญกับหลตาวันเกิดได้โอเคใช่จ้าจ้ากราบนมัสการเจ้าค่ะหลวงพ่อช่วงช่วงนี้อยู่บ้านอยู่บ้านที่ฝรั่งเศสเ จ, จ้าค่ะไม่ได้ข้าเพราะว่าที่บ้าน เป็นปราสาทเก่าห้าร้อยปีแล้วก็ตั้งแต่โควิดไม่ได้กลับมาเลยเจ้าค่ะแล้วก็มาอินเทอร์เน็ตอะไรต้นไม้เป็นป่าเป็นป่าเลยอะไรเงี้ยก็เลยอินเทอร์เน็ตอะไรก็ยังไม่ไม่ค่อยเสถียรเจ้าค่ะหลวงพ่อก็ปฏิบัติบูชาเจ้าค่ะอยเจ้าค่ะแล้วก็ปีนี้อยู่อยู่เจ้าค่ะเพราะว่าเอาบ้านบ้านที่อีพิซ่าซัมเมอร์นี้ให้ให้เขาเช่าอเจ้าค่ะอเป็น ลักเชอี่เฮาลหูให้ให้คนชาวซัมเมอร์เพราะทีพิซซาร้อนมากแล้วช่วงนี้ก็อยู่บ้านที่ฝรั่งเศสแล้วก็เดือนหน้าก็มีแผนว่าจะกลับเมืองไทยเจ้าค่าโอเคดีจะาต่างของพ่ออ่าลูกก็ปฏิบัติบูชาวันอังานะฮะวันอังคาก็ก็พยายามรักษาใจเจ้าคาะมีอะไรก็บางทีก็มีสิ่งที่มากระทบแต่ก็ ก็ดูใจตัวเองอยู่ตลอดเวลารักพยายามรักษาใจอย่างที่หลวงพ่อสอนเจ้าค่ะพยายามปล่อยวางปล่อยวางทุกอย่างนีเจ้าค่ะหลวงพ่อทางโลกมันมันไม่จบอะ่ะมันมันเยอะมันแบบแล้วก็ก็บอกลีโอเนี่ยทุกอย่างให้พิจารณานะว่ามันเหนื่อยไม่มีทุกอย่างเยอะมันมันเยอะมันเป็นขยะทุกอย่างก็มาเป็นขยะหมดนะลูกก็บอกเขาให้เขา ให้พิจารณาไหเนี่ยเนี่ยทุกอย่างต้องจบลงต้องเป็นขยะที่เป็นต้นตั้งอยู่ดับไฟเจ้าค่ะก็แขาบอกเจ้าข้าหนพอเรียกบอหลวงตาว่าหนูไปช่วยช่วยช่วยตอนอยู่มหาลัยที่ลอนดอนก็ช่วยงานวัดที่ลอนดอนตลอดช่วยเดินบินทางด้วอยลงพ่อมีท่าแข่งแรงเจ้าค่ะสาธุจ้่ไม่มีความสบกันนะมีความสบกันมากมากสาธุ ขอขอบคุณเจ้าค่ะขอบคุณหลวงชาอขอบคุณทุกท่านี่อยู่ในคืข้ามไปเที่ยวในก้อนต่อคุณจ้ามุณจ้าเข้ามาสักการนค่ะพระอาจารย์มีอะไรไหมวันนี้พระอาจารย์วันนี้หนูมีคําถามเรื่องพระอริยบุคคลค่ะที่อมีปัญญาที่จะเห็นว่าขันธ์ห้าไม่ใช่เราเนี่ยค่ะแปลว่าะจะไม่มีอารมณ์ ในเรื่องของลาบยศสารเสวนสุขด้วยไหมคะเช่นคํานินทาหรือว่าคำชมทั้งหลายหรือไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวค่อยโดยหลักนี้จเกี่ยวกันเรื่องเรื่องร่างกายเป็นหลักจะไม่ทุกข์กับเรื่องของร่างกายเวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตายว่าทางด้านลาบยศสารเสวนสุขยังถือเป็นอารมณ์ อควกมหลงในก็ยังก็อาจจะไม่ไม่หลงแล้วเพราะว่ามันก็มันเกี่ยวข้องกับร่างกายไงเมื่อถ้าร่างกายมันแก่มันมันเจ็บมันตายมันก็ไม่สามารถหาราบยศสรเสริญสุขได้มันก็จะปล่อยปล่อยไมคือมันก็จะไม่ไปยึดไปติดไปอยากได้ราบยศสรเสริญพอเห็นด้วยความเป็นจริงว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเกิดแล้วก็มีการเสื่อมไปได้ เนี่นมันจะไม่เป็นแสวงหาราำยุทธเสริญเสริญสุขอีกต่อไปมันจะไปหาความสุขที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมมากขึ่งไปมาแก้ปัญหาที่ยังมีอยู่ในใจที่ยังตกค้างอยู่ให้มันหมดไปเป็นปัญหาขั้นต่อไปหลังจากปล่อยวางร่างกายของเราได้แล้วก็ต้องไปปล่อยวางเรื่องความอยากที่จะไม่มีร่วมเพศกับผู้อื่นเนีอันนี้ยังไม่ได้ละเพราะยังไม่ได้เห็นอสุภะยังไม่เห็นว่าร่างกายไม่สวยไม่งาม ยังมีความอยากร่วมเพศอยู่ก็จะมาแก้ตัวนี้ด้การพิจารณาสุภาพอยู่เรื่อยๆจนสามารถมองเห็นสุภาพได้ตลอดเวลาเวละเกิความอยากจะเส่งอยากจะร่วมเพศก็จะใช้สุภาพมาหยุดนั้นได้ที่หันจะเข้าข้างในนะเอเรื่องของภายนอกจะไม่ค่อยสนใจนะลาบยสอดเสริญนนอะไรกันตามเรารู้แลาปัญหามันอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่ข้างนอกความสุขไปอยู่ที่ ที่ใจทําใจให้สงบได้ตัดกิเลสได้ใจก็จะมีความสุขเมื่อการที่จะไปหาความสุขจากราภยชนสารเสริญจากรูปเสียงกลิน่นรสได้ถึงขั้นขั้นที่สามคือขั้นตาอานาคามีก็จะไม่สนใจเรื่องเรื่องกางทั้งหมดเลยเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสอะไรต่าง ๆ, ๆนี่ <c oughs> แต่ขั้นพระโสดาบันนี้ยังอาจจะมีอยู่บ้างยังยินดีกับรูปๆสวยๆงา ม, งาม เห็นคนหน้าตาดีอะไรนี่ก็ยังมีการสงบขึ้นได้อยู่คือในความอยากอาจจะยังมีแต่แค่ว่าไม่มีการสแสวงหาเพราะเข้าใจแล้วว่าสแสวงหาไปก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรแต่ก็ต้องค่อยๆละความรู้สึกอยากไปเรื่อยๆอ่าตัวอยากที่สําคัญก็ ค, คือความอยากร่วมเพศเนนี่ยัง <c oughs> ต้องเห็นนะสุภาพถึงยาถึงถึงยาละได้อันนี้รวมไปถึงโทสะด้วยไหมคะความโกรธก็คื อ, อ ย, ยั ง, ยงโทสะยังมีอยู่ ยังมีโทสะมันยังมีอยู่ในตัวตัวจิตอยู่ยังอย่างละไม่ได้โทสะนึ่ต้องไปเรื่อั้นหนึ่งให้ขั้นที่สี่ถึงจละโทสะได้ก็ยังมีความอยากอยางได้ความสุขแบบนั้นความสุขแบบนี้อยู่ก็ไม่ได้ก็อาจจะเกิดโทสะขึ้นมาได้ค่ั้นแรกก็คือไปเจรณาละกายใได้ แต่ปัญญ<ช><ร>าน่านกล่าวว่าไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวเราของเราถ้าไปยึดไปติดกันจะทุกข์ถ้าไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายกันจะทุกข์ต้องปล่อย อ, ยอต้องยาวต้องยาวให้มันแก่ให้มันเจ็บให้มันตายถ้าเรามีคือเราสามารถพูดคุยแบบนี้ได้เราเข้าใจแล้วว่าร่างกายเป็นผมขนเล็บอะไรอย่างนี้นะคะพราะว่าทําไมการทิ่ใจเรายังไม่มีปัญญาตรงนี้เป็นเพราะสติอย่างเดียวเลยถูกไหมคะมันไม่มีสติ มากพอที่จะพิจารณาให้เห็นถึงความจริงขนาดขนาดนั้นก็เลยรู้แค่ทฤษฎีอย่างนี้ถูกไหมคบก็มันอาจจะเหมือนกับอาวุธนะเราอาจจะมีอาวุธอยู่แต่เรายังไม่ได้พกติดตัวเราตลอดเวลาเวลาเกิดมีปัญหาถ้าต้องใช้อาวุธเราอาจจะต้องวิ่งไปหาอาวุธแ ต, แต่ถ้าเราพิจารณาปัญญาให้มันกะทงมันรู้อยู่ตลอดเวลาไม่หลงไม่เลื่นเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะ ใช้เป็นเป็นปัญญาบบดับกิเลสได้แต่ถ้ายังพิจารณาแบบบางๆๆๆๆวังมองเวลาก็ลืมบางทว่างเวลาก็เผลออย่างเงี้ยพอเกิดกิเลสก็หยุดมันไม่ได้เราก็พยายามพิจารณาปัญญาให้เห็นตลอดเวลาดูหมายความว่ า, า, วาก็คือถ้าถึงแม้ว่าเราอาจจะ ยังไม่สามารถรู้ด้วยปัญญาได้แต่เขาว่าพิจารณาตลอดเวลาแปลว่าก็คิดไปเรื่อยๆถึงแม้ว่าเราจะยังไม่เข้าใจแต่ก็คอยเตือนตัวเองตลอดว่าสมมดป่วยก็พูดก็ถึงแม้ใจเราจะยังอยากหายป่วยแต่เราก็พูดอยู่เสมอว่าป่วยเป็นเรื่องธรรมดาอย่างนี้นถูกไหมคะคิดไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งมันจะเข้าใจเองเหรอก็แล้วแต่ถ้ามันจะเข้าใจเองมันก็ให้จิตสงบเป็นโอเบคาด้วย พรถ้าไม่มโอเบคากิเลสมันก็ไม่อยอมรับมันก็ยังไม่อยอมรับความจริงนมเยอะส้งออเบคาพามมีออเบคากิเลสมันก็จะไม่มีแรงมาต่อต้านความจริงได้พอปัญญาสอรว่ามันต้องเป็นอย่างนี้ต้องแก่ต้องเส็่ม ต, ต้องตายจิตก็จะรับได้อันนี้ค่ะพาร์ตการสาธุค่ะแล้วก็ต้องไปพิสูจน์ยู่ไปหาข้อสอบดู เช่นเจ็บไข้ได้ป่วยหมอบอกเป็นมาเร็งตอนนั้นก็จะได้รู้ว่าตราทุกข์กับร่างกายหรือไม่ถาเป็นมาเรงเขารู้ว่าเฉยๆก็เป็นธรรมดามันต้องเป็นเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาไม่เดือดร้อนอะไรก็แสดงว่าผ่านแต่ถ้ายังทุกข์อยู่แล้วเราก็พิจารณาไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็จะจนจนกว่ามันจะหายทุกจนกว่ามันจะปล่อยได้จนกว่ามันจะยอมรับความจริง ฉันว่าจะอุบัตขามีอุบัตขาขึ้นมาใช่แล้วอธิาจายไหมอธะบายค่ะอาจารย์ั้นต้งปฏิบัติสมาธิด้วยเหมือนถึงใช้ปัญญาอย่างเดียวมันไม่มีกำลังที่จะหยุดหยุดความอยากได้ เรามีอุเบกขาด้วยแนละ้วพอพิจารณาเหน็นว่าความอยากอยากไม่เจ็บอยากไม่ตายเป็นตัวทาให้เราทุกข์แล้วก็หยุดความอยากไม่เจ็บอยากไม่ตายปล่อยให้มันเจ็บปล่อยให้มันตายไปหนูพยายามจะเริ่มด้วยการนั่งให้ผ่านเวทนาให้ได้หนูรู้สึกว่านั่นคือที่พระอาจารย์บอกว่ามันก็คือความอยากหายเจ็บถ้าเราผ่านตรงนั้นได้ก็เหมือนข้อสอบตัวใหญ่ตัวหนึ่งว่าเราเริ่มได้ไปครึ่งหนึ่งแล้วไม่กลัวเจ็บแล้วต่อไป เจ็บไ้ในป่วยไงก็สู้กับความเจ็บของโกคไข้ไขยเจ็บได้แต่ยังต้องปล่อยอีกตัวคือความตายเข้าใจแล้วค่ะอาจจะพิจารณาว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเรามันเป็นแค่นิด น, น้ำลงไปเป็นอาการสาสสองเราเป็นเพียงผู้ม า, มาใช้มันเป็นใช้เป็นเครื่องมือชั่วคราว เราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นใจเป็นจิตผู้รู้ผู้คิดผู้มาใช้ร่างกายตอบสนองความอยากของจิตคือการมาตัดหา <Okay. S 1> ใจนะขอบคุณมากคาา่ะ okay. สาธุสาธุที่คุณฑ า, าณราไปุณพลวรัดอ่เมืองแพลวอยู่ที่ไห น, ไหนอเอ่ยปิดไม้ได้ไหม จากนรมัสการพ ร, ระอาจารย์จ้าค่ะอยากจะมีคําถามยงติดเพ่งเจ้าค่ะจะแก้ยังไงเจ้าะก็เพ่งก็ดีเนี่ยไม่ไม่ไมต้องไปแก้งไงเพ่งเพ่งอะไรเพ่งแบบเหมือนรู้สึกแบบมันเครียดเครียดยังไงไม่ทราบเะตอนแล้วบางครั้งกแบบ็รู้สึกมันคลื่นไส้อย่างเงี้เวลาเพ่งอะแบบเพ่งอะไรเพ่งลมแล้วเพ่งอะไร อ่าโยมจะโยมจะกรรมฐานแบบพองหนอเจ้าค่ะพอมหนอพองหน อ, อดูที่ต้องเหรอดูที่ต้องอันนี้ช่ค่ะอย่างเดินเ ด, นดินจงกรมก็จะเดินช้าอย่างเงี้ยควรจะเดินแบบธรรมดาเดินช้าแล้วก็จะปวดขามากว่าเจ้าค่ะให้เดินธรรมดาไม่ต้องเดินช้าหรอกแล้วก็ให้มีสติอยู่กับการเดินไปซ้ายขวาซ้าย ข, ขวาไป แล้วเวลานั่งเจ้าคะเวลานั่งก็ดูลมหายใจเขาที่ปลายจมกูกแทนหรือถ้าถ้าดูลมไม่ได้ดูแล้วดูแล้วยังเครียดอยู่ก็ใช้ใช้คําบริกรรมพุทโธพุทโธแทนลรงเปลี่ยนมาใช้พุทโธดูก็ได้แทนที่จะดูลมดูท้องแทงนที่จะไปเพ่งก็ใช้คําบริีกรรมพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปอยู่กับคําบริกรรมอย่างเดียวไม่ต้องดูลมไม่ต้องดูท้อง เพราะเดี๋ยวโยมจะต้องอยากจะปฏบิบัติบูชาในวันนี้ในพรรษานี้เนาะคะ่ะประมาณสามเดือนเราก็กลัวแบบจะทําไม่ถูกเจ้าค่ะก็ต้องฝึกสตจให้มากมาไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะต อ, ตอนที่เรามานั่งอย่างเดียวควรจะฝึกทั้งวันเลยตั้งแต่แตื่นขึ้นมาเราลืมตายขึ้นมาก็พุทโธพุทโธพุทโธอะไรอย่างเงี้ยก็ยังพูดก่อนแล้วแต่ขอขบพระคุณจังค่ะ โอเคนะมาแล้วนะโอเคยังนไปที่คุณคุณลาได้บางคุณลามีคำถามไหมครับกราบนมัสการค่ะพระอาจารย์มีทั้งหมดห้าคำถามจากทาง Facebook และ YouTube เจ้าค่ะสองคำถามแรกจากคุณเก่งกราบนมัสการพระอาจารย์ครับคำถามข้อที่หนึ่งระหว่างวันผมเริ่มฝึกพุทธโธ ถ, ถี่ๆในใจผ่านไปสักพัก รู้สึกว่าสามารถปล่อยวางร่างกายได้มากขึ้นแต่พอหยุดพุดโทโธก็รู้สึกว่าจะกลับมายึดกับร่างกายเหมือนเดิมตอนนี้เลยระลึกถึงพุโทโธบ่อยขึ้นพอรู้สึกชอบรู้สึกว่าทำให้เราห่างไกลจากความทุกข์หรือความกังวลแต่บางครั้งก็ลืมพุโทโธมารู้ตัวอีกทีก็มีความทุกข์เกิดขึ้นแล้ว ผมควรจะปรับปรุงแก้ไขและปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้องครับก็พยายามกลับมาที่พุทธโธเรื่อยๆทุกครั้งที่เรามีสติรู้ว่าเราพุทธโอหายเราต้องกลับมาหาพุทธโธไปเรื่อยๆใหม่ๆก็จะเป็นอย่างนี้นะ่ละมันน้มลูกคุกคานไปนะต้องให้มีความเพียพยายามและมีความอดทนทำไปเรื่อยๆเราไปพุทธโธก็จะอยู่นานขึ้นนานขึ้นคถามข้อที่สอง การนั่งภาวนาพุโทโธตามลมหายใจเข้าออกกับการนั่งบริกรรมพุโทโธโดยไม่ได้ดูลมหายใจต่างกันอย่างไรและสามารถเลือกทําได้ทั้งสองวิธีหรือเปล่าครับได้ความจริงใช้อย่างใดอย่างหนึ่งมันจะง่ายกว่าเช่นใช้คำบริกรรมพุโทโธพุธโทโธโดยที่ไม่ต้องดูลมหรือ ด, ดูลมโดยที่ไม่ต้องใช้คําบริกรรมพุโทโธก็ได้แต่คนบางคนเขารู้สึกว่า ถ้าดูอย่างเดียวมันยังจะเผยอยู่เขาก็เลยจะเอาทั้งสองอย่างมารวมกันดูลมด้วยแล้วก็พูโทโธไปด้วยอันนี้แล้วแต่ผู้ปฏิบัติจะต้องตัดสินใจว่าจะเอาแบบไหนดีมีสามคำถามจากคุณรวีพัฒค่ะกราบนมัสการถามค่ะพระอาจารย์คำถามข้อที่หนึ่งก่อนนอนควรสวดมนต์บทไหนดีเจ้าคะ่ะมนไหนที่เราชอบที่เราจาได้ ได้ทั้งนั้นบนไหนก็ได้เป้าหมายก็คือต้องการให้ใจเรามีสติคำถามข้อที่สองสวดแล้วต้องแผ่เมตตาทุกครั้งหรือเปล่าคะคือการแผ่เมตตานี่มันต้องแผ่ด้วยการกระทําไม่ใช่ด้วยการสวดการสวดนี้มันเป็นการเป็นการศึกษาหรือเป็นการรอบทวนว่าการแผ่เมตาตาจะต้องแผ่อย่างไรให้เราสวดบทแผ่เมตเตาสัเพสตาเวลาหุนตต อันนี้ไม่ได้แผ่นนะเป็นการเป็นการเตือนสติเป็นการทบทวนว่าวิธีแผ่เมตตาต้องแผ่อย่างไงน้า แ, แต่เราเราอยากจะทบทวนก็สวดไปแต่เวลาจะแผ่แผ่เมตตาจริงๆต้องแผ่ด้วยการกระทํามเวลาที่เราพบปะคนนั้นคนนี้เราก็ทักทายเขาให้ความเมตตาต่ อ, อ ก, กันให้ให้เป็นความมิตรให้มีมิตรภาพต่ อ, อ ก, กันหรือถ้าช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยเหลือกันไป หรือมีอะไรแบ่งกันได้ก็แบ่งกันไปอย่างนี้ถึงเรียกว่าเป็นการแผ่เมตตาที่ถูกต้องแผ่ด้วยการกระทําคำถามสุดท้ายหลังจากนั่งเรานั่งสมาธิสิบห้านาทีแล้วกรวดน้ําได้ไหมคะคือการนั่งสมาธินี่มันไม่ได้มันผลยังไม่เกิดกรวดน้ําไปมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรต้องให้จิตสงบรวมเป็นสมาธิก่อนถึงจะมีผลอ่ แต่ใจกูดก็กูดได้แต่มันก็กูดไปแบบทำไปอย่างนั้นอ่ะมันไม่มีผลอะไรถ้าอยากจะแผ่เมตถ้าอยากอุทิศบุญควรจะไปใส่บาตรทำบุญทำทานพอทำปับ๊บมันก็ผลก็เกิดขึ้นทันทีสามารถอุทิศบุญที่เกิดจากการทำบุญทำทานได้ทันทีแต่บุญที่เกิดจากการสมาธินี้ต้องให้จิตรวมเป็นสมาธิก่อนถึงจะเป็นถึงจะเกิดผลขึ้นมาคำถามหมดแล้วเช้าค่ะ โอเคเวลาก็เกินมานิดหน่อยก็าคิดว่าพอสมควรแก่เวลาสลอดคืนนี้อาคุณเกตคนสุดท้ายขออภยัยมีอะไรไหมคุณเกตเมื่อกี้เห็นปิดช่องยังไงไม่ได้ถามว่ามาคุณไ ด, ด้เลยเสียงไม่เข้าเสียงไม่เข้าต้องขออภัยนะใช่ไหมได้โอเค แล้ขอท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิพจารณาไปปฏิบัติแล้วความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปทธอ